ทุกอย่างที่ทำนี่ก็เอาหลวงตาเป็นเหตุแต่ผลและเหตุที่ปฏิบัตินั้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองผู้ที่จะได้ผลก็คือผู้ที่บาเพ็ญแต่เราอาศัยความกตัญญูกะตะเวทีความรักท่านความปรารถนาที่จะให้ท่านได้อยู่คู่กับเราไปนา น, าน เป็นเหตุให้ทำให้คนที่โดยปกติอาจจะไม่คิดบําเพ็ญไม่คิดบวชกันก็จะได้บวชกันแล้วเมื่อเขาบวชแล้วเขาก็จะได้รับผลจากการที่เขาได้บวชสำหรับองค์ท่านเองนั้นเรื่องกุศลนี้ท่านถึงความแล้วทั้งบุญและบาปท่านละได้หมดแล้วท่านไม่ต้องบําเพ็ญแล้วท่าน ท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าอย่า ก, กุศลานะอตอนตายแล้วอย่า ก, กุศลากุศลาคือความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดคนจะฉลาดได้ต้องฉลาดในตอนที่เป็นต้องสวดตอนที่เป็นหมายความว่าให้ฟังธรรมะในตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าถ้าตายไปแล้วอย่าไปเคาะโรงศพวันนี้มูลพระมาสวด คนตายต้องไม่รู้เรื่องเหมือนหนังสือที่เขาเรียกวายนะเสียดายคนตายไม่ได้อ่า น, านออคนตายอ่านไม่ได้ต้องคนเป็นถึงจะอ่านได้พวกเราเนี่ยเป็นคนเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลในตอนนี้ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง ท่านสร้างกุศลในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วในสมัยพุทธกาลงานศพเขาก็ไม่มีการสวดกันในการศพเขาก็เป็นการฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่าเป็นประโยชน์ตรงนั้นฟังเทศฟังธรรมมันก็ทำให้เป็นกุศลนั่นเองแต่ถ้าสวด อย่างเช่นสมัยในส่วนดาวคนฟังก็ไม่เข้าใจความหมายแล้กระทั่งคนส่วนบางทีก็ไม่เข้าใจความหมายเป็นเป็นเหมือนนกแก้วนกแก้วถ่ายทอดสู่นกแก้วแก้วจา๋าแก้วจ๋ากันมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าแก้วอยู่ตรงไหนเจอแก้วก็เขี่ยทิ้งไปเหมือนไก่ได้พลอยคุยเขียคุยเขียไป หาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนพอเจอพลอยเจอเพชรเข้าก็เขียยทิ้งไปเพราะไ ก, ก่กินกินเพชรกินพลอยไม่ได้ไก่จะเอาแต่ไ ส, ส, ส้เดือนตัวตัวนอนตัวไส้เดือนเหมือนบุคคลที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีกุศลาก็จะไม่เห็นธรรมะว่าเป็นเพชรเป็นพลอย จะเห็นว่าเป็นเป็นก้อนหินแต่จะเห็นก้อนหินคือเห็นเพชเห็นทองว่าเป็นของมีค่าแต่จะเห็นธรรมะว่าเป็นเป็นของไม่มีค่าไปจึงบวชกันยากทั้งหญิงและชายหญิงก็บวชได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นชาย คือการบวมมันมันมันเป็นเพียรูปแบบจะห่มเหลืองห่มขาวจะโกนหัวไม่โกนหัวนี่มันเป็นรูปแบบการบวช จ, จริงมันอยู่ที่การปฏิบัติชําระกายวาจาใจอยู่ที่การสละสละทรัพย์ศละครอบครัวสละก ย, ยศฐาบาสัจศละความสุขทางโลก ให้เข้าสู่ความสุขทางธรรมให้เข้าสู่ความสงบนี่คือการบวชที่แท้จริงบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่สละจริงก็ไม่ได้บวชจริงบวชถ้าวันสิบวันสองอาทิตย์สามอาทิตย์สามเดือนแล้วก็ลาเสกขาไป ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการบวชที่แท้จริงสู้พวกที่ไม่ได้โกนหัวไม่ได้ห่มผ้าขาวผ้าเหลืองแต่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่ตามสภาพของตนถึงแม้จะไม่มีรูปแบบของการบวชแต่มีสาระของการบวชอยู่อหือ ใ, ใจก็จาคะเสียสละอยู่เรื่อยๆมีอะไร ที่ตนเองไม่ใช้ไม่ต้องการก็ไม่หวงเก็บเอาไว้เก็บไว้เท่าที่จําเป็นสําหรับที่จะต้องดูแลตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่มีมากกว่า น, นั้นก็ไม่เก็บเอาไว้ให้มันลกลหลงลังนี่คือข้อที่าสาค่ะศีลก็ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดก็ได้ศีลห้าในวันปกติ ศีลแปในวันในวันธรรมสวรรวันพระแล้วถ้าจเจริญขึ้นไปก็รักษาทั้งทุกวันรักษาศีลแปดไปทุกวันก็พอเพียงก็เป็นฐานของการบำเพ็ญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบ แล้วถ้ามีการบาเพ็ญอยู่อย่างต่อเ น, นื่องทั้งสมาธิและปัญญาสลับกันไปสมาธิเป็นที่พักของจิตภาวนาเป็นที่ทำงานเหมือนบ้านกับสำนักงานที่เราใช้กันอยู่ตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็ไปทำงานที่สำนักงานตอนเย็นเราก็เดินทางกลับบ้านมาพักผ่อนหลับนอน การปฏิบัติจิตการพัฒนาจิตม่ต้องมีทั้งสองที่จะทำงานอย่างเดียวจ ะ, จ, ะจะเจริญปัญญาอย่างเดียวโดยไม่พักจิตก็จะหลงสังขารติดสังขารไปจิตไม่มีกำลังที่จะหยุดยังคู่ต่อสู้ได้ เมื่อพิจารณาไปแล้วเห็นว่าเดมไม่ค่อยสงบแล้วก็ควรที่จะถอยกลับมาหยุดการพิจารณาแล้วก็มาทำจิตใจให้สงบเคยทำจิตสงบด้วยวิธีใดก็ทำไปจนจนจิตหยุดคิดตรงแต่งสงบนิ่งให้พักอยู่นานๆเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าที่จิตจะต้องการพักพอพักพอแล้วจิตก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะมีกำลังวังชามีความมีมีความแหลมคมที่จะไปพิจารณาเพื่อกำจัดกิเลส ท, ที่เป็นปัญหาอยู่เหมือนกับการทำงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานก็ กลับบาพักผ่อนรับนอนรับประทานอาหารตอนเช้าก็ตื่นมาด้วยความสดชื่นอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวออกไปทํางานต่อจะไม่มีอารมณ์หงุดหงิดถ้าลองทํางานเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่หยุดหย่อนเลยจะทําไม่ไหวแล้วทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทําไปแล้วก็ไม่ได้ไม่มีผลงานปรากฏขึ้นมาเสียเวลาไปเปล่า การปฏิบัติทางจิตธรรมน า, าจึงต้องมีการสลับกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาระหว่างสมาธิและปัญญาเป็นท่านเปรียบเหมือนกับเป็นเท้าสองข้างเวลาเดินเราไม่ได้เดินทีเดียวสองสองข้างพร้อมกันเวลาเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็ยันไว้พอเราเก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก็ยันไว้ ก็ทําให้เดินไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินพร้อมกันเดีสองขาก็ต้องทำอะไรนะก็กระโจนไปกระโดดไปก็จะไปไม่ไมถึงไหนแล้วก็จะเหนื่อยแรงไม่ไม่มีใครเดินแบบนั้นใช่ไหมเดินพร้อมกันสงขาต้องสลับกันข้อนี้ต้องต้องพยายามอเน้นอยู่เรื่อยๆเพราะ คนภาวนานี่จะไม่เข้าใจเรื่องสมาธิกับปัญญาบางคนก็งงว่าไอ้แล้วเราจะจะเริญนปัญญาเมื่อไหร่บางคนก็ไม่รู้พอคิดว่าทำจิตให้สงบปั๊บก็ให้พิจารณาเลยก็นันก็มันก็ไม่ใช่แล้ะเพราะตอนที่จิตสงบเนี่ยก็ต้องการที่จะให้หยุดคิดหยุดพิจารณาอุตส่าห์ภาวนาพุโทโธมาแทบตายเพื่อให้มันหยุดคิด พอมันหยุดคิดปั๊บก็ไปไปเอามาคิดมันก็ไม่ได้ความมันไม่ได้พักผ่อนหรือเข้าไปในสมาธิที่สงบแล้วไม่อยู่กับที่ถอนออกมารับรู้เรื่องต่างๆอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้หยุดพักพอบูบลงไปปับเดี๋ยวเดียวก็ถอนออกมาแล้วก็ไปรับรู้เรื่องต่างๆไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วก็หลงดีใจว่ากําลังกำลังได้ผลกําลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่อุตส่าห์ทำมาแต่ความจริงแล้วไม่ได้อะไรเลยหรือสิ่งที่ได้นั้นมันไม่มีความหมายต่องานที่เราต้องทําคือการชําระจิตใจงานกําจัดความโลภความโกรธความหลงการออกไปรู้เห็นเรื่องต่างๆนี้จะไม่ได้มีประโยชน์เลย ยกเว้นถ้าไปเห็นภาพของคนตายเช่นตัวเราตายอย่างคุณแม่แก้วท่านเคยรวมลงแล้วก็ปรากฏว่าเห็นตัวท่านนอนตายอยู่แล้วหลวงปู่มั่นก็มาบาังสกุลมากุศลามามาทำชาปน ก, กิจให้เห็นภาพว่าเวลาหลวงปู่มั่นเอาไม้เท้าจี้ไป ตรงร่างกายส่วนไหนมันก็เปื่อยย่อยไปถ้าเป็นภาพอย่านี้ที่เกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความเสื่อมของสังขารร่างกายไม่ว่าจะเป็นของไขกระดามแล้วเราโอปะนัจโกน้อมเข้ามาสู่กายเราสู่ตัวเราว่ามันร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าเป็นภาพในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นวิปัสสนาเป็นการเจรณปัญญาไปแต่มันเป็นไปโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยบาเพ็ญมาก่อนเราเคยพิจารณามาก่อนแล้วแล้วมันถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจของแม่ ใ, ใจเมื่อมีโอกาสเวลาที่จิตสงบมันก็จะ มีโอกาสโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นได้เพราะในขณะที่จิตเราไม่สงบนั้นจิตจะปูงแต่งจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาซึ่งมีกำลังมากกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เคยพิจารณาได้เคยเจริญแล้วในอนดีตยังไม่ค่อยปรากฏอะไรขึ้นมาในขณะที่จิตเราเป็นปกติแต่พอจิตเราน้สงบลงไปแล้ว ถ้ามีอะไรอยู่อยู่ภายในมันมักจะโผล่ขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นเหมือนกับน้ำถ้าน้ำไม่สงบนิ่งน้ำยังขุ่นน้ำยังมีคลื่นอยู่จะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำแต่ถ้าน้ำสงบนิ่งแล้วก็ใสเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในนั้นอยู่ในน้ำได้หมดเห็นตัวปลาเห็น เห็สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในนั้นได้จิตของเราก็เป็นเหมือนน้นในสภาพปกตินีนจิตจะขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยเรื่องเรื่อราวต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในแต่ละวันทําให้ไม่เห็นสิ่งที่มันมีอยู่ภายในจิตของเราแต่ถ้าเราสามารถบําเพ็ญจิตของเราจนมันบ้าจนมัน สงบลงแล้วใสขึ้นมาในตอนนั้นบุญบารมีเดิมที่เคยบำเพ็ญมามันก็จะมีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาบางทีบางคนก็มีมีฤทธิ์มีเดชอ่านจิตอัดใจของผู้อื่นได้ดูกายทิพย์ได้ดมรกชาติได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ ถึงแม้จะว่าอัศจรรย์แต่มันก็ยังไม่ไม่อัศจรรย์จริงถ้าเปรียบกับเรื่องของเรื่องของปัญญาเรื่องของการการรู้แจ้งเห็นจริงต่อสภาวธรรมทั้งหลายมันคนละเรื่องกันังเวลาแล้วบำเพ็ญแล้วไปเห็น อะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานั้นขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ลงไปในใจนักให้หมดแม้ว่าเป็นอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไปหลงยึดติดเราก็จะมีความทุกข์ว่าเราอยากจะให้มันปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิทีไรก็จะ อยากจะให้มีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับนั่งดูโทรทัศน์ไม่ต้องนั่งภาวนาก็ได้สมัยนี้มีโทรทัศ น, ใน์ให้นั่งดูก็นั่งดูไปก็เหมือนมีสมาธิคนที่นั่งดูดูโทรทัศน์นี่เขาก็มีสมาธิของเขาเขาไม่ลูกไปไหนบางทีถ้าเป็นถึงตอนเข้าได้เข้าเข็มเนีปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำยังไม่เข้าเลย ยังทนนั่งดูได้การนั่งหลับตาแล้วจิตสงบแล้วปรากฏสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่กับการดูภาพเหล่านั้นดูเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏก็เหมือนกับเราดูโทรทัศน์ดูหนังในปัจจุบันประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยมากเพราะภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏจะไม่ไม่ไม่ไปทางธรรมะมากเท่าไหร่ ยกเว้นอย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องของของความเสื่อมของร่างกายเห็นเราเป็นคนแก่เห็นเราเป็นคนเจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลรอความตายหรือเห็นตัวเราตายถูกเขาจับใส่โรงเอาขึ้นเมนจุดไฟเผาไหม้ไปจนกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไป ถ้าเป็นธาตุแบบนี้ท่านว่าควรจเจริญให้อย่างต่อเนื่องควรจเจริญจนมันติดตาติดใจจนจิตนี้ไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกายเมื่อมีความคิดว่าไม่กลัวแล้วก็เอาไปพิสูจน์ดูตอนที่เรานั่งดูล้วอาจจะนั่งอยู่ในกุฏินั่งอยู่ในบ้าน ลองไปดูที่มันเปี่ยวๆน่ากลัวน่ากลัวดูซิว่วาจะยังจังยังจะกลัวอยู่หรือไม่หรือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสบายร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรก็พร้อมที่จะรับได้ทุกเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมันก็หมดไปส่วนหนึ่ง ส่วนของความแก่ความเจ็บความตายแตนั้นก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือความไม่สวยไม่งามเพราะถ้ายังไม่พิจารณาเวลาเห็นร่างกายก็จะเกิดความยินดีไถ่ร่างกายที่ชอบที่สวยงามที่ว่าสวยงามก็จะเกิดมีความกำหนัดยินดีอยากยาเสพรถแห่งตาม ก็ต้องพิจรารณาแววตานั้นให้เห็นถึงสภาพที่ไม่สวยงามที่น่ารังเกียจที่มีอยู่ในทุกทุกคนเนงแต่ถูกซ่อนอยู่เหมือนกับขยะที่อยู่ในถุงถ้าไม่เปิดถุงดูก็จะไม่รู้ว่าข้างในมีขยะมองอยู่ข้างนอกก็คิดว่าถุงนี้กำลังห่อของของของใช้ ที่เพิ่งซื้อมาจากร้านค้าด้วยเห็นถุงว่าสวยงามก็ชอบใจแต่ไม่รู้ว่าภายในถุงนั้นมีอะไรอยู่ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนถุงเป็นกระเป๋าหนังมีหนังหุ้มรอบตั้งแต่ศรีรษะจน บ, บึเท้าแต่ภายในของร่างกายภา ย, ภายในกระเป๋าหนัง ใบนี้ข้างในมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นขยะมีน้ำน้ำปัสสาวะน้ำเหงื่อมีอุจจาระมีอะไรต่างๆมีอวัยวะต่างๆที่ไม่สวยงามอยู่ในกระเป๋าหลังใบนี้ถ้าไม่พิจารณาก็จะมองไม่เห็น เวลามองคนก็จะมองแต่รูปร่างหน้าตาที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาตาเนื้อแต่ถ้าไม่มีปัญญาคือตาในมาดูให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง32ส่วนก็จะถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่ายินดี หน้าครอบครองหน้าเอามาเป็นเป็นเพื่อนเป็นเป็นคู่ครองถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันติดตาติดใจทุกครั้งที่เกิดความยินดีทุกครั้งที่คิดถึงร่างกายก็เห็นภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอยู่มันก็จะมาดับ กามตัญหาหรือการมัลาคะให้ได้ทําให้ใจนี้ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมีคู่ครองไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเสกการมอีกต่อไปถ้ามั่นใจจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของร่างกายก็จบไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเจริญพิจารณาเรื่องของร่างกายกต่อไป เพราะปัญหาของร่างกายก็มีเพียงเท่านี้เรื่องแก่แ ก, เก่เจ็บตาเรื่องพัดภาคจากกังเรื่องอสุภะเรื่องปฏิกูลไม่สวยงามเป็นสิ่งโสกปกถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความยินดีไม่มีกามวชันทะยินดีในกาม เรื่องของการปฏิบัติเรือการพิจารณาธรรมะนี้ก็อย่างที่พูดได้ว่าก็ต้องมีการสลับกับการพักอยู่ในสมาธิพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามั น, ม, นมันเหนื่อยหรือมันไม่อยากจะพิจารณาก็อย่าไปอย่าไปบังคับมันแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบเคยสงบด้วยประการปล่อยกรรมพุทธโธก็บริอยกรรมพุทธโธไป การสงบด้วยการกำหนดดูลมเรือการดูผู้รู้ก็ทำไปให้จิตนิ่งไม่คิดผรุงอะไรเมื่อจิตพักพอแล้วจิตก็จะถอนออกมาเมื่อออกมาแล้วก็ก็จะเริ่มต่อไปพิจารณาต่อไปเรื่องเดียวกันที่เคยพิจารณาอย่านั้นจนกว่าที่เราจะมีกำลังมากพอที่จะป้านกับความคิด ที่เห็นว่าสวยว่า ง, งามได้ทุกครั้งที่ความคิดที่ว่าสวยว่า ง, งามปรากฏขึ้นมาความคิดที่ไม่สวยไม่งามก็ขึ้นมาขึ้นมาลบล้างกันเหมือนหมัดต่อหมัดฟันต่อฟันตาต่อตาทำไปจนในที่สุดความคิดที่ว่าสวยว่า ง, งามมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกถูกต้านถูกลบไปทุกครั้งไปหลังจากพิจารณาจนจนปัญหาหมดไปแล้วเรื่องของการพิจารณาก็หมดไปเป็นเหมือนยากินยาเพื่อรักษาโรคภขยไข้เจ็บกินยาเพื่อไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปแล้วหมดไปแล้วยาก็หยุดกินการพิจารณาทางปัญญาก็เป็นการให้ธรรมะโอสถแก่ใจเป็นธรรมโอสถปัญญาของใจเมื่อความฟาุ้งซ่านความความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปพิจารณาอะไร ก็ต้องขยับขึ้นไปสู่สู่ปัญหาที่ละเอียดกว่านั้นคือนอกจากกายแล้วก็ยังมีนามธรรมยังมีจิตอยู่ที่ยังเป็นที่ตั้งของสตูข้าศึกคือติเดติเ ด, ดยังมีอยู่ในขันธ์อยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่ในตัวจิตเอง อันนี้ก็ต้องเข้าไปพิจารณาต่อพิจารณาเห็นว่านามขันก็เป็นเพียงสภาวธรรมมีการเกิดการดับเวทนาก็เป็นความรู้สึกมีความรู้สึกแต่ไม่มีผู้รู้สึกคือไม่มีตัวตนเหมือนมีฝนตกแต่ไม่มีคนโปรยน้ำฝน ล, ลงมาฝนมันตกลงมาเพราะอะไรเพราะน้ำที่ระเหยขึ้น ในอากาศจับตัวเป็นเมฆเมื่อมันมีความหนักมากมันก็ตกลงมาเป็นน้ำใหม่เวทนาก็เป็นการเกิดขึ้นของการสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพพะกับตาหูจมูกนิ้นกายหรือธรรมารมที่สัมผัสกับใจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา รู้สึกสุรู้สึกทุกรู้สึกไม่สุกไม่ทุก ข, ข์ขึ้นมาแต่ไม่มีไม่มีผู้สร้างมันขึ้นมาไม่มีผู้มีความรู้สึกมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาผู้ที่จําได้หมายรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพาก็เพียงแต่ทําจําได้หมายรู้ นัญญาสังขารผู้ปรุงแต่งในยามที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วเกิดเวทนาก็สังขารก็จะปรุงแต่งว่าควรจะทําอย่างไรดีถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความอยากให้มันเป็นไปนานๆอยู่ไปนานๆถ้าเป็นความทุกข์ก็เกิดความอยากให้มันหายไปเร็วๆ สังขารก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาเช่นตอนที่เรานั่งแล้วไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาสังขารก็จะปรุงว่ามันเป็นทุกข์แล้วควรจะขยับได้แล้วควรจะหนีมันได้แล้วมันไม่มีใครเป็นคนคิดมันคิดไปตามนิสัยตามโปรแกรมที่เคยถูกโปรแกรมมาซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกมาจาก ควิชาความไม่รู้จริงความหลงที่คิดว่าความเจ็บนี้มีผู้รับความเจ็บปวดคือมีตัวเราเป็นออกไปรับความจริงแล้วไม่มีตัวเราไปรับตัวเรานี้ออกมาจากความหลงความหลงสร้างขึ้นมาพอมีตัวเรามันก็จะเกดตัวที่อยากจะหนีจาก อากสิ่งนั้นไปถ้าพิจารณาว่าตัวจิตนี่มันเป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ใจเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้คิดปรุงแต่งต่างๆใจสามารถรับรู้สภาพของเวทนาได้ทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์เขาก็รับรู้ของเขาได้ ถ้ามีปัญญารู้ทันระงับดับตัวที่เป็นตัวตนออกไปได้ให้ตัวรู้เขาทําหน้าที่เป็นเหมือนกระจกกระจกนี้ไม่ใช่ตัวตนกระจกนี้เวลามีภาพอะไรปรากฏขึ้นในกระจกกระจกจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่ดีใจเวลามีมภาพสวยๆปรากฏขึ้นในกระจกนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาขยะกขยง ร้อนเกลียดเวลามีภาพที่ไม่สวยงามปรากฏขึ้นในกระจกกระจกก็เพียงแต่สะท้อนภาพความจริงของภาพนั้นๆใจก็สะท้อนรรับรู้ความจริงของสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หน้าที่ของผู้ที่พิจารณาหรือปัญญาก็คือ สอนใจให้ทำหน้าที่ของตนคือทำหน้าที่รับรู้อย่าไปทำหน้าที่เป็นตัวตัวตนให้เป็นตัวรู้ถ้าถ้าใจตั้งอยู่ในในความเป็นตัวรู้เป็นตัวตัวรู้ได้ไม่เป็นตัวตนได้อะไรจะเกิดขึ้นในในนั้นก็ในใจก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร ว่าใจตั้งอยู่ในจุดที่รับได้ทุกรูปทุกทุกอย่างทุกเรื่องก็คือในจุดที่เรียกว่าอุเบกขาใจต้องเป็นกลางใจต้องปราศจากอาคติอคติต้งองรักชังแล้วก็หลงแล้วก็อะไรอันห น, นึองมือมีอยู่สี่อันด้วยกัน ถ้าไม่มีอคติแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรทุกในอริยสัจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือความความอยากหรือไม่อยากก็จะไม่มีนี่คืองานที่เราทำกันมาทุกตั้งแต่ท่านร่างกายมาก็เพื่อที่จะให้ใจนั้นอยู่ตรงจุดกลางคือไม่รักไม่ชัง ให้แต่รู้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามตามเรื่องของเขาเหมือนกับเรารับรู้เรื่องฝนฟ้าบินอากาศแดดลมแล้วฟังพยากรณ์อากาศรับรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกพรุ่งนี้แดดจะออกแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป สั่งฝนฟ้าให้เป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดใจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้สภาวะธรรมที่ปรากฏในจิต น, นั้นให้เป็นไปอย่างใดเมื่อมันปรากฏขึ้นมาก็มีหน้าที่รู้มันไปก็รู้มันไปแตในขณะในขณะที่เรายังสามารถสั่งได้ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นอำนาจเด็ดขาด เช่นในขณะที่เรานั่งเจ็บปวดแล้วเราบอกว่า เ, เราลุกขึ้นได้เราทําให้มันหายได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นอํานาจเจดคาดเพราะจะมีสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งที่มันมันเจ็บแล้วเราทําให้สั่งให้มันหายไปไม่ได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหยุก ย, ยาอะไรก็กินหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้มันหายได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีวาระหนึ่งที่ เราจะไม่สามารถไปบังคับมันได้นันการที่เรานั่งฝึกทำกิจใจนั่งแล้วให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการฝึกใจเป็นให้ใจขยับเข้าสู่จุดของความเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ให้ใจไปมีอคติกับภาวะต่างๆที่มามาสัมผัส เมื่อเราทําจนกระทั่งเกิดความช้าชองแล้วต่อไปเราก็จะสบายเราพร้อมที่จะรับกับทุกสภาพได้ความเวลาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็รับได้เวลาอย่างทุกอยู่อย่างทุกยากลําบากก็รับได้จะไม่มีความทุกข์ในใจความทุกข์จะมีแต่เพียงภายนอกเช่นความทุกยากลําบากเช่น อยากขาดแคลอย่างช่วงนี้เข้ายากหมากแพงเคยใช้เงินใช้ทองอย่างอย่างสบายตอนนี้ก็ต้องประหยัดลงต้องใช้น้อยลงเพราะของมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆไม่แต่ไรายได้ยังไม่ขึ้นตามาใจที่ได้ฝึกอยู่มาจนช่ำชองแล้วจะไม่ ไ ม, ไม่ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพราใจไม่ได้ใจปรับตัวเองได้พูดอย่างนั้นก็แล้วกันและส่วนใหญ่แล้วใจที่เป็นกลางนี้จะไม่ค่อยจะพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกมากไม่พึ่งพาอาศัยเลยก็ว่าได้สิ่งที่จะพึ่งพาอาศัยอยู่ก็คือร่างกายที่ต้องอาศัยปัจจัยสี กา น, นั้นเองแต่เรื่องค่าใช้ใจ่ายทางด้านเอนเตอร์เทนทางด้านการหาความสุขต่างๆทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัะนี้ตัดไปได้เลยใจนี้ไม่ต้องหาความสุขกับเรื่องต่างๆแบบนี้เพราะใจมีความสุขที่เหลืกว่าดีกว่าอยู่ภายในใจก็คือความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสรเิฐแลนโลก ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ใจสงบใจเป็นกลางด้วยสมาธิด้วยปัญญาพิจารณาจนเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่ควรไปยึดติดไม่ควรที่จะไปแสวงหาอะไรหาความสุขจากอะไรเลยทั้งภายนอกและภายน เมตนาก็ภายในสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ภายนอกก็รูปเสียงกิโลตโพธะหรือภายในก็มีธรรมอารมณ์ความคิดอารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ใจจะไม่ไปยึดไปติดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาใจแ ย, ก, ย, ก, ยกตนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ขึ้นไม่ลง ไม่ดีใจไม่เสียใจกับการมาการไปของสิ่งเหล่านี้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังมีการสัมผัสรับรู้อยู่ของตาหูจมูกเิ่นกายถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งของของสังขารอยู่มันก็จะมีปรากฏอารมณ์ต่างๆภายในใจขึ้นมาแต่ใจก็จะรู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความได้เสียกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆก็มักจะไม่ปรากฏขึ้นเพราะการปรากฏขึ้นนี่ส่วนใหญ่ของอารมณ์ก็เกิดจากความหลงเกิดจากความคิดปรุงแต่งแต่เมื่อไม่มีความหลงไม่มีความคิดปรุงแต่ง ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเป็นไปแบบเรียบๆใจก็อยู่ในความสงบอยู่ไปกลางไปตลอดไม่มีอะไรที่จะมาหลอกให้ไปดีออกดีใจไปเสีย อ, อกเสียใจกับอะไรต่อไปนี่ก็คือเรื่องที่พวกเราต้องทำกัน ไม่มีใครทําแทนเราได้บอกกันได้สอนกันได้แต่ผู้ที่จะทําก็ต้องเป็นพวกเราเองแต่ละคนจะต้องทํากันเองแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ไม่ง่ายจนเกินไปยากง่ายของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ง่ายกว่าบางคนก็ยากกว่าอยู่ที่ อดีที่ได้บาเพ็ญมามากน้อยต่างกันถ้าได้บาเพ็ญมามากกว่าก็จะง่ายกว่าถ้าได้บาเพ็ญมาน้อยกว่าก็จะยากกว่าล้วไม่มีทางลัดถ้าเห็นคนอื่นเขาทำง่ายแล้วเราอยากจะง่ายเหมือนเขาแต่มันไม่ง่ายก็แสดงว่าเราทำน้อยกว่าเขาเราก็ต้องทำให้มากขึ้นอย่แ่นั้นเอง ทำให้มันมากขึ้นในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันต่อไปมันก็ง่ายมันอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การสะสมเหมือนมีมีการบ้านให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเราอ่านสองหน้าอีกคนเขาอ่านสิบหน้าเขาทํามากกว่าเราเวลาเขาตอบปัญหาเขาตอบปัญหาได้มากกว่าเราอ่านได้ครึ่งเล่มเขาอ่านได้หมดเล่มเวลาไปสอบเขาสอบได้เต็มร้อย เราสอบได้ห้าสิบเราได้ครึ่งหนึ่งเราได้รอด้อยลวห้าสิบนักเรียนจึงมีมีคะแนนต่างกันเพราะแต่ละคนนั้นบำเพ็ญมาไม่เท่ากันนั่นเองพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราบางคนก็รู้สึกไปไกลกว่าคนอื่นบางคนก็ตามเขาไม่ค่อยทันน้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อย ถ้าเรารู้ว่เาเราอยู่ข้างหลังเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้มากก่บคนที่ก็อยู่ข้างหน้าเพื่อเราจะได้ตามเขาทัน <c oughs> เรื่องเหล่านี้รอกันไม่ได้ไม่เหมือนกับการเดินทางที่เราสามารถที่จะรอกันได้แต่การปฏิบัตินี้ไม่ควรรอกันพราะเราแข่งไม่เราไม่ได้แข่งกับผู้อื่นเราแข่งกับเวลา เวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบทำเสียเกิดเวลาของเราหมดไปเราก็จะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีเวลาที่จะได้มําเพนต่ อ, อยเมื่อไหร่แลวเวลาของเราเราก็ไม่รู้ว่ามันเหลือมากน้อยเพียงไรเพราะมันไม่ได้เป็นของตายตัวมันไม่ได้เป็นว่าทุกคนจะมีอายุถึงแปดสิบปีทุกคน บางคนอาจจะไปไม่ถึงแปดสิบบางคนอาจจะเลยแปดสิบั้นแต่ละคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ควรจะคำหนึ่งหรือคิดไว้เพื่อความไม่ตมอาจก็คือคิดว่าของเราอาจจะหมดวันนี้ก็ได้หรืออาจจะหมดพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ปล่อยไป เวลาันมีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้บําเพ็ญภาวนาเราจะไม่มาเสียเวลากับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องการชําระใจแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเอาเวลาที่เหลืออันน้อยนี้มาบําเพ็ญถ้าทําจริงๆตั้งใจจริงๆบางทีเพียงเจ็ดวันก็พอ เวลาที่จะทำให้จิตใจสะอาดบ่อยสุดได้บางคนอาจจะไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้อาจจะเพียงข้ามคืนก็บ่อยสุดได้อยู่ที่ความเพียรแล้วก็อยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระ อริยสงฆ์ไมอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ธรรมะทั้งห้าทั้งห้าประการคือศรัทธาส ต, ติวิริยะสมาธิและปัญญาที่เราต้องบำเพ็ญที่เราจะต้องทำให้มากทำให้มีให้มากเป็นเหมือนกับการปีนขึ้นเขาคนที่จะปีนขึ้นเขานี้เขาต้องพร้อม เ็ต้องมีกาลังพร้อมเพราะมันไม่เหมือนกับเดินตามที่ราบคนที่จะปีนเขานี่ยเขาต้องใช้เวลาเตรียมตัวทั้งทางด้านร่างกายสุขภาพและเครื่องม้เครื่องมือเขาต้องซ้อมออกกำลังกายวิง่งทีละหลายหล า, หลากิโลเพื่อให้ร่างกายนี้มีกำลัง การบำเพ็ญทางด้านจิตธภาวนาก็เช่นเดียวกันเป็นการสร้างพลังให้กับจิตจิตจะมีพลังหน้านก็ต้องมีมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อปัจจัยเหล่านี้พร้อมเพียงแล้วการปินไปสู่ยอดของจิตยอดของธรรมก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดจะไปได้อย่าง รวดเร็วและถึงที่หมายได้อย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการบำเพ็ญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ศรัทธาก็หมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆได้ทั้งศรัทธาแล้วก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งที่จะไปต่อยอดให้เป็นปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติการได้ ปัญญาที่การฟังนี้ก็เป็นตัวจุดชนวนให้ปัญญาที่มีอยู่นั้นปรากฏขึ้นมาหรือที่ไม่มีก็จะทาให้ให้เริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาบางคนมีของเก่าอยู่แล้วพอฟังก็สามารถปีนถึงยอดได้เลยบางคนที่ยังไม่มีของเก่าอยู่ ก็เหมือนได้มเมล็ดไปเอาไปเพาะเอาไปปลูกเอาไปรดน้ำพรวนดินแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามต่อไปเกิดจากการได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแล้วก็นํำมาไปภาวนาด้วยสติสติก็ต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิมันเดินจงกรมสตินี้เราเป็น พื้นฐานเป็นกอไก่ขอขของการปฏิบัติเหมือนเป็นอนุบาลคือต้องมีสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลบต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเดินใจให้ให้สติเดินใจไว้ให้อยู่กับตัวรู้ให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆในอดีตในอนาคตในที่ที่นูน่นที่นี่ ให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเวลาทำสมาธิมันก็จะสงบง่ายมันจะนิ่งเมื่อมีความนิ่งแล้วเวลาไปพิจารณาทางปัญญาก็จะเป็นปัญญาจะเป็นภาวนามนยมบปัญญาจะไม่เป็นวิปัสสนาจะไม่เป็น ความหลงถ้าไม่มีสมาธิแล้วคิดไปพิจารณาไปบนพื้นฐานของความฟุงรร้งซ่านก็เป็นวิปัสสนูตอนคิดว่าตนรู้แล้วเห็นแล้วแต่จิตใ จ, จฟุงรร้งซ่านเหมือนกับหลิงอย่างนี้หลอกตัวเองแต่ถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเวลาพิจารณาอะไรแล้วถ้ายังฟุ้งซ่านอ ย, อยู่ยังไม่สงบอยู่ ยังไม่สามารถทำให้สิ่งที่ทำจิตให้กระเพื่อม น, นั้นส ง, สงบลงได้ก็แสดงว่าอย่างยังไม่ยังไม่ใช่ต้องพิจารณาต่อไปจนกว่าสิ่งที่มาทำให้จิตกระเพื่อม น, นั้นมันไม่สามารถทำให้กระเพื่อมได้แล้วถึงจะรู้ว่าปัญหาับเรื่องนี้หมดไปแล้วต้องมีสมาธิเป็นตัวตัวตัดสินความสงบนี้เป็นพื้นของของ ของการหลุดพ้นก็ว่าได้ถ้าหลุดพ้นด้วยความฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นพวกบ้าถ้าหลุดพ้นด้วยความสงบเนี้ยถึงจะเป็นพวกที่ไม่บ้าเนี่ยคือความจาเป็นการสำคัญของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญามันก็สงบชั่วขณะที่มันอยู่ในสมาธิพอออกมาสัมผัสกับอารมณ์ต่าง ก็เกิดการกระเพื่มขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาสมิสมาธิโดยลําพังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของการกระเพื่อมจิตได้ดับได้แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในความสงบฉะนั้นเป็นเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าว่าย้าก็จะไม่งอกดัแต่หญ้าไม่ตายเพราะรากยังอยู่ในดิน พอยกหินออกไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เขียวกลับขึ้นมาใหม่ยิ่งต้องมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิรยิยะความภาคเพียนทั้งศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่เชื่อในเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้หลัแล้วก็โยนทิ้งทางขยะไปกลับไปสู่แบบชีวิตแบบเดิม ไปหาความสุขจากการไปที่าต่ามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวของต่างๆก็เป็นความสุขชั่วประเดียวหนึ่งแล้วก็ต้องกลับไปทําใหม่เรื่อยๆนี่คือคนที่ไม่มีศรัทธาต่อคําสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเขาก็จะจาระฆะจะเสียสละบริจาค เงินทองเท่าของต่างๆทนที่จะเอาไปเที่ยวก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็รักษาสนลไม่เสพทุรายามเราไม่หาความสุขจากจากการกระทำผิดศีลเช่นประพฤติผิดโอเวนีที่รู้สึกว่ากำลังจะกำลังเป็นเรื่องที่นิยมกันมากจิตใจของคนก็เลยตกต่ำ เป็นพวกสุนัขเดือนเก้าไม่มีไม่มีไม่มีการสู่ขอไม่มีการแต่งงานอยากจะอยู่กับใครก็อยู่กันไปเมื่อไม่อยากอยู่อยากจะเปลี่ยนคู่ก็เปลี่ยนยกันไปเนี่ยมหาความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ก็จะไม่จะก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ก็จะวนเวียนอยู่ในในวัฏจักรนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดมมแล้เกษตรหาความสุขทางโลกไปตายไปก็ไปใช้เวรใช้กรรมหมดเวนหมดกรรมก็กรรมมาเกิดใหม่มเศรษใหม่วนไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธาเป็นเป็นจุดเริ่มต้น พอเราเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระอริยสงฆ์แล้วก็ขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติด้วยความด้วยความภาคเพียรษาความขยันหมั่นเพียรคือมีเวลาว่างเมื่อไหรก็บุ้งมาทางนี้มาปฏิบัติอย่างเดียวเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับมีเวลาว่างนั่งทําจิตให้ส ง, งบได้ก็ทําไว้ พิจารณาทำบทญดบุญหนึ่งได้ก็พิจารณาไปพิจารณาร่างกาย ก, กาแก่เจ็บตายพัฒนาจากกันอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกลุ่เนี่ยพิจารณาไปแล้วจิตก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจึงขอฝากเรื่องของการนำเห็ น, นคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติต่อไป การแสดงจะเหว่าสมควรแต่เวลาพอยุติไว้เพียงเท่านี้จะพูดถึงเรื่องของศรัทธาวิริยะสติศรัทธาของเครื่องมุอนห้เกิดเกิดวิริยะอันนี้พอมีอย่างนี้ก็ได้ย่าระดับหนึ่งเนี่ย แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เกิดผล <c oughs> เราต้องเสริมสร้างที่ศีัทธาเพิ่มขึ้นเลยไหครับเพราะมันเพื่อดูเพิ่มไปคือศรัทธามันก็พักให้เราไปสู่ระดับของการปฏิบัติ <c oughs> การปฏิบัติจะเป็นตัวที่จะทําให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นต่อไปถ้าเห็นผลแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพิ่มขึ้นเองจนกลายเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน ความวิทยาโน้นต้องทำให้เกิดผลศรัทธาจะเกิดศรัทธาขึ้ได้ด้วยชั้นหนึ่งเกิดเปลี่ยนจากศรัทธาที่สั่นคลอนเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนพอเราเห็นผลนะ ม, มีมีมีผลเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ไม่สงสัยแล้วเช่นคนให้ธนาบัตรมาใบหนึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าของจริงกับของปลอมก็ต้องเอาไปใช้เหมือนกันเมื่อเราไปให้คนที่เขาทํานานทางด้านธนาบัตรดู ไปที่ธนาคารในประเทศไทยเยบอกได้ธนาบัตรมา น, นี้มาช่วยพิสูจน์ให้หน่อยว่าช่วยรับรองให้หน่อยว่าของจริงและของปลอมบอกเขบอกของจริงโอ้ทีนี้ก็ศรัทธาแล้วเนี่อ่อของเอาไปซื้ออะไรได้การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลแล้วทีนี้ก็จะศรัทธาแล้วว่ า, วาอ่อปฏิบัติตางนี้มันได้ผลจริงๆมีประโยชน์กับเราจริงๆ ผลทางทานมันก็มีในระดับหนึ่งผลทางศีลมันก็มีระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่ากับการภาวนาถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากแต่การการการให้ทานการเสียสละนี่มันก็มีน้ำหนักถ้าเราทําไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเราเสียสละเรากล้าวเสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น เป็นคนอื่นก็อดอาหารมาอดข้าวอดยาขาดแคลนเรามีอาหารเพียงแค่นี้แต่เราเราไม่เราไม่เราไม่รมับประทานสักมื้อหนึ่งก็ได้เสียสละอาหารมื้อนี้ให้กับเขาไปเราหิวหน่อยทางด้านร่างกายแต่เราจะเห็นความอิ่มเอิบของจิตใจปรากฏขึ้นมานี่ก็เป็นผลที่เราเห็นได้จากการเสียสละเนื่องจากการซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราจะสามารถโคงได้ได้ เป็นสิบล้านแต่เราไม่ทําเราพอใจกับเงินเดือนที่เราได้เดือน 4, 50, 000, ละสี่ห้าหมื่นเรือสี่ห้าแสนเลแต่เราจะไม่คิดเอาประโยชน์จากหน้าที่การงานของเราเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจแล้วเราจะไม่หว่นไหวต่อการกล่าวหาการอยากจะมากล่าวหาฟ้องร้องว่าเราประพฤติผิด วิชชอบเราก็ไม่รู้สึกอะไรนอนรับสบายแต่ถ้าเราไปรับสินบนเข้ามาเนี่ยเราจะกินไม่ได้ก่อนแมครับนี่ก็เห็นเป็นผลนะถ้าเราพิจารณาผลที่เกิดจากการรักษาศินเกิดจากความซื่อสัตย์สุจริตนแต่มันไม่มันไม่มันเป็นดําขาวเหมือนกับภาวนาถ้าดําขาวนี่มันเหมือนกับ พิกหน้ามือเป็นหลังมือจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วสงบลงเหมือนเสียงที่ดังสนั่นวันไวแล้วอยู่ๆก็เงียบนิ่งไปสงบมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเห็นชัดกว่ากันมากแล้วถ้าบางทางปัญญามันก็จะเกิดความโลง่งออกโล่งใจมีปัญหากับเรื่องอะไรแล้วพิจารณาแล้วตัดปล่อยวางได้อ ะ, อะไรจะเกิดก็เกิด ตอนจะกังวลว่าจะจะถูกเขาปดก็ไม่ถูกเ้าปดห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับโดนกล่าวหาว่าไปทําประพฤติผิดมิชอบอทั้งที่เราก็ไม่ได้ประพฤติผิดมิชอบแต่อย่างใดแต่ใจก็ยังรักงานอยู่ยังเสียดายงานอยู่เสียดายรายได้ที่ได้จากงานแต่ถ้าพิจารณาว่าถึงแม้จะรายได้มันมากแต่ความต้องการของเราจริงๆมันก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยรายได้อันนี้ก็ได้ เราก็อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ถ้าเราไม่มีที่ไหนไปก็ยังมีศาสนารอเราอยู่มีข้าวฟีมีบ้านฟีีอยู่เราก็ตัดพิจารณาว่าอ๋เนี่แหลคือความทุกข์ประยุติเกกับกับลาบที่มีทั้งเจริญและเสื่อม เ, เวลาเจริญเราก็ดีออกดีใจพอมันจะเสื่อมขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาใจ เรอย่าไปอาศัยมันดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องอาศัยมันก็ได้มีคนก็อยู่ได้เราทำไมจะอยู่ไม่ได้งั้นจะออกก็ออกไม่เป็นไรนี่พิจารณาด้วยปัญญาปั๊มความยุดงตกกังวลต่างๆก็หายไปนี่นก็จะเห็นเห็นประโยชน์ของของการพิจารณาด้วยปัญญาเห็นใจรักแล้วปล่อยถ้าเห็นใจรักแล้วมันก็ มันก็มันก็จะปล่อยวางได้ออกแต่งานได้บวชได้วันที่สิบสองมษาเส็งหานนี้เวลาที่เกิดความีลุ้งซ่าในทางรำเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมัไม่มีหรอกความที่มังาในทางคำไม่มีสรุงซ่ามันไม่ได้หองี่เลยทั้นนั้นเลย บางครที่เขาเข้าไปแล้วพขาไปเงียบไปเลยอะไรอย่างนี้แล่ะแล้วก็อันนี้เป็นเขาปิดสมาธิในการชนหรือว่าเป็นเพราะเขาติดแต่เราไม่รู้ใจเขาเนี่ยใช่ไหมเราเห็นแต่ทางสภาพของสาวภายนอกที่มีนคนเขาเขามาถามเหมือนกันเนี้ยที่เขาไปอยู่วัดแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วมันก็โกนศรีรษะนอนแข็งทื่อนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าให้ทําอย่างไร แล้วก็บอกว่าให้ดูแลไปตามสภาพเขาคงจิตจิตใจของเขาคงจะบอบช้ามาบอกท่านนี้จากจากการพิจาราธรรมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้อยู่ที่เอถ้าเขาไม่บอกเราเราจะไปรู้ได้อย่างไรใช่ไหมก็อาจะมันคือไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปรู้เหตุผลมันบอกอยู่แล้วว่าจิตเขาบอบช้าจิตเขาไม่เป็นปกติ เขาก็ต้องอาศัยเวลาฟื้นฟูถ้าก็ไม่มีธรรมะที่จะฟื้นฟูตัวเขาเองอย่างที่ไปปรึกษากับหลวงตาแล้วเขาบอกว่าหลวงตานั้นบอกให้ใช้พุโทโธพุธโทโธเพื่อฟื้นฟูให้จิตสงบตัวลงจิตมันจะแกว่งไประหว่างความฟุ้งซ่านกับความซึมเศร้าเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ออกมาทำ น, น, นู่นทำนีน่กินนู่นกินนี่เวลาซึมเศร้าก็แข็งทื่อไปซึมเศร้าตรงนั้นเขา อยู่ในสมาธิไห้คะว่าก็เ น, นี่ยพยายามจะให้กลับเข้าไปในสมาธิด้วยการจเจริญพุทธโธถ้าเป็นสมาธินี่มันจะตื่นมันจะเบิกบานมันจะสดใสมันจะสดชื่นอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันซึมเศรา้ามันแกว้งระหว่างสองสองสองสองส่วนไงส่วนที่ฟุง้งซ่านแล้วก็กลับลงมาซึมเศรา้าจิตมันแกว้งไปแกว้งมา เวลาเกิดอาการฟารุ้งซานเนี่ยเหมือนกับว่า ก, ก, ากระปี้กระเป๋ากระตือรือรนทํานู่นทํานี่กินนู่นกินนี่พอเกิดเวลาซึงเศร้าก็หงอยหเหงานิ่งไปทีนี้ไม่ทราบว่าไปไ ป, ไปทําอะไรที่ทําให้เกิดเกิดภาวะนั้นขึ้นมาอันนี้ก็ไม่สําคัญสําคัญอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้มันกลับมาเป็นปกติ ยิ่งเดินยิกสิมาตลอดที่ตัวเองก็คงจะต้องตั้งใจทุกข์เลยนะนั่นแะก็ท <bo> ีนี้เขาไม่มีสติไงที่จะที่จะรับรู้ที่จะฟังคือตัวเขานี่เขาไม่ได้วุ่นวายนะคนที่รอบข้างเขาต่างหากที่วุ่นวายที่พยายามที่จะฉุดลากเขาไปเพื่อที่เขาไม่รู้ตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในสภาพอย่างไร เหมือนคนที่อยู่ในเหมือนกับคนเมาสุราก็าอยู่ในสภาพอย่างนั้นหรือเหมือนเหมือนคนที่นอนหลับแล้วฝันไปตอนนี้จิตใจของเขาไม่มีสติที่จะประครับประคองให้เขามีสามัญสามนึกเหมือนเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นก็ที่เราแนะนาไปก็บอกว่าดูแลเขาไปตามสภาพเหมือนกับเขาเป็นเด็กอะตอนนี้เหมือนกับเป็นเด็ก เด็กร้องไห้ก็จ้องงอแงอยากจะกินน้ําก็หาน้ำก็กินอยากจะกินข้าวก็หาข้าวอยากจะนอนก็ปล่อยเขานอนไปแต่อย่าไปกดดันเขาอย่าไปกดดันนีแต่ในระหว่างนี้ให้เวลาเขาจะมีสติที่นึกคุณโทได้ไหมครัไม่ได้รถ้าเขาไม่รับรู้เรื่องจากภายนอกถ้าไม่ฟังฟังแล้วไม่ไม่รู้ความหมายก็ไม่ไม่สื่ออะไไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวฟื้นฟู ถ้าเขามันอาจจะแกว่งน้อยล ง, น, ยลงน้อยลงนะ้อยลงแล้วอาจจะกลับเข้ามาสู่ความสงบได้ต่อไปเหมือนการนะที่มันก็เพื่อมแรงแรงเนี่ยใช่ไหมถ้าเราปล่อยน้าไว้เฉยสักระยะหนึ่งเดียวมันก็จะคลื่นมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วก็จะนิ่งไปเองแต่ถ้าคนภายนอกก็มาช่วยกันเขย่าเองมาช่วยมากดดันก็มาบอกให้เขาไปทําสิ่งนั้นมาทําสิ่งนี้รากเข้าไปจูงเข้ามาอย่างนี้ มันก็ยังไปทําให้จิตของเขาเนี่ยยังต้องกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆนี่อาจจะผิดหรือจะถูกไม่รู้นะแต่เราก็วิเคราะห์ไปทัทง้ทงทั้งตามความเข้าใจลูกคนนั้นจะมีทํามน้ารักสักปแปดปีแล้วลูกเคยส่งคนมาที่เป็นเด็กผู้ชายที่เขาเป็นปฏิบัติไปแล้วเป็นปัจจุบันก็กลับไปตามตามที่เป็นกานอนนะ แ, แ, แต่ปัจนี้ก็ยังไม่หาอืม นั่นแะถ้าว่ากรรมยังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเรื่องที่คนเดินแก้ไม่ได้กรรมของใจของมันทุกชนแล้วก็สวยกันอย่าง น, านีนานแค่ไหนเพียงไม่รู้เจียงนะแต่ว่ามันหนักหรือมันเบาแล้วก็จะเป็นบุญหรือไม่อย่างอย่างบางคนมีบุญได้ไปเจอเจอคนที่เก่งที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้า แล้วเขามีสติพอที่จะรับฟังได้เขาก็จะมีโอกาสแก้ตัวเขาเองได้เช่นองคุลิมานนี่องค์ุลิมานี่หลงมากน่ะถ้าคนขนาดนั้นได้จริงๆนั้นเป็นความหลงแต่ก็อันนี้มันมันมันคนบ้าก็มันต่างกันคนบ้าคนหลงมันก็หลงเหมือนกันแต่จะหลงมากกว่าองค์ุลิมานคือองคุลิมานี่ยังมีสติสตังพอที่จะรับรู้ได้ แต่นี่ก็ไม่รับดูอะไรเลยไม่ได้นะในบางขนาดตัว่รู้รู้อไม่รู้ว่าเขาคุยกับเขาได้ไหมคุยกับเขาตามปกติอย่างที่เราคุยกันนี้ได้ไมอมก็คุยคนสองคนก็คุยได้ก็คุยอะยไรบอกว่าหลวงตากรูอาจารย์ต้องสอนให้ทําอะไรอยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทําได้หรือไม่เป็นธรรมโอโซนเขาจะกินยาหรือไม่แล้วเขากินยา ได้เขาก็จะพื like ้นื้นกลับมาได้เร็วแต่ถ้าเขาทาไม่ได้มันก็เหมือนกินยาไม่ได้แต่ล้วในการเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้าได้บอกอุบายอะไรไหมคะในกาแก้ก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษารายละเอียดไม่ทราบมันจะมีรายละเอียดอย่างนี้หรือเปล่าก็เพียงแต่อาศัยจากการวิเคราะห์ในเรื่องในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความหลงมันแต่กรณีมันก็ไม่เหมือนกันคือทำอย่างไรให้คนที่หลงนั้นมีสติขึ้นมาให้รู้ว่าตนเองหลงนั่นคือเป้าหมายเพราะคนกำลั ง, ลงไปผิดทางนะแล้วก็อยู่ที่คนที่เขาหลงว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับรู้ได้หรือไม่อย่างคนที่อยู่ในสถาสถานบาบัด คนเสียสตินี้ก็ไม่มีใครเข้าไปแก้เขาหรอกเพราะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับรู้ข้อข้ออะไรวิธีที่จะแก้ปัญหาของเขาได้คุยกับเขาก็คุณยังไม่รู้เรื่องแรู้เรื่องเขาก็ทําไม่เป็นคนที่ปกติอย่างเรายังทําไม่ได้เลยนะ ไ, ไหมเราก็หลงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรายัางอยู่ใน อยู่ในระดับที่ยังพอประครับประคองตัวเราเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมก็เลยไม่เป็นปัญหาแต่เราก็หลงแล้วหลงกลับไปไปช่วยคนหลงมันจะได้อะไรเนี่ยความหลงแบบนี้คือข้ามพบข้ามชาติเป็นไรอางแล้ว่าคนนี้เกิด ตายไปเกิดตัวใหม่สติที่มันจะแตกอยู่ก็ต้องแตกเหมือนเดิมก็มันจิตมันจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เหมือนน้าเนี่ยถ้าเกิดขวดน้ำขวดนี้แตกแล้วเปลี่ยนขวดไปน้ําก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ถ้าน้ำเป็นน้ําสะอาดมันก็สะอาดถ้าน้ํามันเปื้อนมันก็ยังเปื้อนอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนขวดจิตสภาพของจิตไม่ได้เปลี่ยนไปกับอยู้ม่จอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วก็ได้ แล้วพอไปถูกอะไรกดดันเขากระทบแรงเขา้าหรือเขาอาจจะมีความมุ่งมั่นมากแล้วทําไปจนกระทั่งเกิดความเครียดขึ้นมาบังคับจิตของตอนเองมากเกินเกินไปชเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเต้นเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปก็ไม่ดีสายพิมพ์นี้ต้องให้มันพอดีพระพุทธเจ้าก็มองไปก็เหมือนคนได้านะโอดก้าวตงถีบสุดก้าว ่ท่านมีสติปัญญาพอที่จะดึงตัวเองกลับจากความบ้า น, นั้นได้เพราะถ้าถ้ายังดันทุรังที่จะอดต่อไปก็มีแต่ตายลูกเดียวการปฏิบัติตามลําพังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์และไม่เชื่อฟังผู้อื่นมันก็จะไปแบบนั้นคุณแม่แจ้วนี่ยถ้าไม่เชื่อหลวงตาแก้ก็จะไปทางทางนั้นอ่ะมันไม่มีทางที่จะจะกลับมาทางทางวิปัสสนาได้ การปฏิบัติถึงถ้ามีคนที่รู้จริงเห็น <c oughs> จริงมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเนี่ยจะมีคุณประโยชน์มากคนส่วนใหญ่ที่บ้ากันนี้ก็เพราะเชื่อตัวเองมากเกินไปไม่ยอมฟังผู้อื่นดันั้นควรที่จะยอมรับว่าเรายังไม่เก่งจริงเรายังมีคนที่ฉลาดกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราอยู่ ถ้ามีโอกาสถ้ามีใครเตือนก็ขอให้ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนแล้วเอามาพิจารณาดูแล้วลองเอาไปพิสูจน์ดูในสิ่งที่เขาพูดเขาเตือนว่ามันเป็นอย่างไรอย่าไปดันทุรังเชื่อในเชื่อมั่นในตัวเอง <c oughs> การเชื่อมั่นก็ดีอยู่แต่มันต้องอยู่ตรงกลางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลของความจริงของความเป็นไปได้แต่อย่าไปเชื่อมั่นแบบดันทุรัง โดยปฏิเสธการตักเตือนของผู้แนวทางนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันหนงได้ง่ายเพราะมีเชื่อมีความหนงอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นตัวนำอยู่แล้วแวพอไปไปสัมผัสกับอะไรแล้วไปวิเคราะห์ผิดนี่เหมือนหมอนี่แหละไม่สบายไปหาหมอหมอวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย พอไปเปลี่ยนหมอใหม่หมอวิเคราะห์ถูกโรครักษาสามวันก็หายเนีย่ยเรียกว่าปัญญาผู้ที่เจอปัญหาแล้ววิเคราะห์ได้ตรงกับกับปัญหาหรือไม่ถ้าวิเคราะห์ผิดวิธีรักษาก็ผิดมันก็ผิดไปเป็นกระบวนเลย อยู่ที่คนที่มีประสบะการณ์มามากน้อยเก่งไหนถ้ามีมากก็ก็เก่งมากพมีประสบะการณ์น้อยก็เก่งน้อยน่ก็ขอให้มีครูบาอาจารย์ไว้ถ้าไม่มีก็ยึดหนังสือหนังหาที่ที่ที่ใช้ได้นะที่เป็นประโยชน์ ไม่มีครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่หรือเราไม่ไม่ทราบว่ามีอยู่ที่ไหนแต่เรายังมีหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านไปแล้วเราก็ยึดแนวนั้นไปก็ได้อ่านไปอ่านไปเรื่อยอ่านไปให้มากๆแล้วมันจะได้ความรู้หลายด้านมามายันกันเป็นแผนที่เป็นเหมือนแผนที่ คำสอนของผู้อื่นที่เป็นเหมือนแผนที่ทางที่เราไปนี่เป็นทางที่เรายังไม่เคยไปเราอาจจะหลงทางได้ถ้าไม่มีแผนที่ที่เราควรจะไปทางนี้แต่ทางจริงมันต้องไปอีกทางหนึ่งมีการหลงแล้วทุกขั้นสมาธิก็หลงติดสมาธิปัญญาก็หลงสังขาร เราคิดว่าพอพอพอผ่านสมาธิแล้วก็ไม่ต้อ ง, องกังวลกับเรื่องสมาธิแล้วจเจริญปัญญารูปเดียวแต่ไม่ใช่สมาธิก็ยังจาเป็นอยู่เร่คิดว่าได้สมาธิแล้วก็จบแล้วจิตสงบแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อก็ติดอยู่ในสมาธิถ้าได้ยินได้ฟังอย่างนี้มันเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอย่างไร เราได้แผนที่แล้วอยู่ที่ว่าเวลาเราปฏิบัติเราจะจำได้หรือเปล่าเราที่นัังท่างที่เคยได้ยินได้ฟังมาพอปฏิบัติว่ามันก็เสือเองโดยวิเคราะห์ผิดว่าเราไม่นี่ไม่ใช่สมาธินี่หลุดพ้นแต่ความจริงมันเป็นสมาธิมันมันหลุดพ้นชัว่วคราวยังไม่ถาวร เนีเป็นอ น, นิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมทำไม่มีความเห็นที่ถูกต้องะจัดความสงสัยไปได้ทำให้จิตมีความสงบจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ินได้ฟังก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดียิขึ้นไปการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นมงคลโดยประการนัตชี้ อตามังัลมุตังถ้าเก่้างล้วเออจะถอนมายอเกินไปนะเขาหัว <default> ้ามันนหัวนะก็่ได้แ่ทันกองขยับตรง คื อ, อเขาคงจะไปไปไ ป, ไปเสียดายกับสิ่งที่เขาได้เขาอยากจะให้มันกลับมาอีกความอยากนี้ก็ทาให้เกิดปวดหัวขึ้นมาก็ได้อยากมากๆเขาต้องลืมเรื่องนั้นผ่านไปแล้วจบไปแล้วหลังเรื่องนั้นจบไปแล้วต้อ ง, ต, องตีตัวใหม่แล้วก็ไปดูรอบใหม่รอบนั้นมันไม่กลับมาแล้วอดีตผ่านไปแล้ว สมาธิที่ได้มาจะจะลึกจะตื้นจะนานจะช้านี่มันมันจบไปแล้วให้ทําใหม่หุงข้าวหม้อใหม่หม้อเก่ามันมันผ่านไปแล้วโยนให้หมากินไปหมดแล้ว <c oughs> อย่าไปเสียดายอย่าก็อยากจะได้คืนถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนก็ทําให้เครียดได้ไม่บอกนะฮะก็เป็นแบบนี้หละฮะบแลเฮอ อ<บ>าจ <PTSD> จะปวดหัวเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้เรื่องสินเรื่องปัญหาต่างๆก็ได้เนี้องทีเก็ะมีับนยมากเห็นแเห็นกเห็นญาเอะากเลยเขากกลัวนะะางส่วนเขากกลัวะก็บอกก็ให้กลับมาหาองค์ภาวนากลับมาหาตัวรู own, princess, Allison, ้หาผู own, <endurance> <c CUBE> okay. that, ้รู้ก็ได้ พอภาวนาพ you know, ุทโธก็กลับมาพุทโธพอพอพุทโธกลับมาละไอ้รูปต่างๆมันก็จะหายไปพุทโธไล่มันไปได้ถ้าไปตามรู้มันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆที่อยากดูบรรยากาศจะทำเป็นนอนทำเป็นนอนักที่โรงแรมลูกลูกก็อยู่อยู่ตรงจุดนั้นเขาบอกเขาจบเขาเห็นเลยเพราะเขหลับจางก็ลืมตามก็ยังเห็นอีกเขาเข้าใจว่าเป็นเป็นภาพเป็นเดิมที่เขามองยอดต่างๆา็ยังเห็น เห็นก็รู้ว่าเห็นก็นแล้วกันอย่าไปยินดียินไายกับมันอย่าไปอย่าไปบังคับให้มันหายเมื่อมันจะเห็นก็ต้องเห็นห ร, หรือถ้าไม่อยากเห็นก็เราหาอย่างอื่นมาเห็นแทนแล้วพุทธโธแทนไป้ได้แต่เราไปไล่มันไม่ได้ไปไปบังคับมันไม่ได้แต่เรามีอุบายให้มันหายไปได้โดยการเข้าหาพุทธโธแทนสวดมนต์แทนไป แล้วอย่าไปคิดถึงเขาเดีย๋ยวเขาก็หายไปเองแต่ถ้าเห็นแล้วพยายามจะไล่เขายิ่งยิ่งไล่ยิ่งยิ่ ง, ย, ง, ย, งยิ่งอยู่เพราะว่าเราคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆก า, ารที่เราไล่เขานี่เรากำลังคิดถึงเขานะใช่ไหมเจ็บใจนั้น น, นั้นใช่ไหมนี่เรียกว่าสองรอบเขาไม่ถามว่าคุยได้คุย <c oughs> ได้ถามได้ ถามได้เป็นยังไงมาจากไหน เ, เหมือนคุณแม่แก้วบางทีเขาก็อาจจะมามาปรับทุกข์ก็ได้ อ, อ, อาจจะปรับทุกข์อาจจะขอแบ่งส่วนบุญอะไรจากเราก็ได้ก็เห็นเั็นไรก็ภาพนอกภาพใ น, พนมันก็เหมือนกันเพวกเราก็เป็นปัจจุบันก็เป็นคนอนาคต ก, ก็เป็นผีเหมือนกันนั่นต้องกลัวจะมี สมมตอเราตายไปแล้วเรามาผ์ให้คุณเห็นนี่คุณจะกลัวไหมเราเราก็ไม่ทําทำอะไรคุณขนาดที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทาอะไรกันแล้วเวลาตายไปแล้วจะไปไปจะไปทาอะไรกันได้ความกลัวก็คือความหลงของเรานั่นคิดไปล้วไม่มีเหตุไม่มีผลคิดด้วยเหตุด้วยผลทำไมไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก เห็นอะไรก็พระพุโทโธไว้ก็ลวกันคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าส่งสอนว่าไปอยู่ในที่น่ากลัวน่ากลัวแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาท่านบอกอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่กลัวให้จเจริญบพรพุทธทคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณแล้วความกลัวนั้นก็จะหายไปเราจะรู้ว่าความกลัวนี้ออกมาจากใจออกมาจากจิต เมื่อไม่กลัวแล้วอะไรจะมาก็ไม่เป็นไรจะเห็นอะไรก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ตอนที่เห็นนั้นนะเกิดอาการกลัวอย่าส่งส่งจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือไปหาเรื่องนั้นให้หาพุทโธธัรมโมสังโฆเพราะคนเราเวลากลัวว่างๆนี่จะสวดมนต์กันได้เร็ว <c oughs> หรือถ้าพุทโธพุทโธนี่ใจยึดแนกติดเดยวเข้าใจ คนที่ต้องการให้จิตสงบจริงต้องอาศัยที่น่ากลัวน่ากลัวให้เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อเกิดความกลัวแล้วจะสวดมนต์อย่างอย่างตั้งใจทำอย่างจริงจังเลยไม่สัต์แต่ว่าสวดถ้าอยู่บ้านเนี่ยถึงเวลาสวดก็สวดไปอย่างนั้นจำใจสวดใจก็ไม่ได้อยู่กับการสวดนะสวดไปก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป แล้วเกิดความกลัวๆนี่มันไม่คิดเรืเองอ่นะมันจะอยู่กับบทสวดวนอย่างเดียวบางทีสวดไม่ทันทันเสร็จกัจิตไม่โตนะจะเห็นคุณค่าของของสถานที่น่ากลัวแล้วเห็นคุณค่าของการสวดมนต้องไปกันนะถ้าอยากจะเห็นผลนต้องไปที่อย่างนั้นกันนะ ทางรัฐเนี่ยทางรัฐอยากจะเห็นผลเร็วไม่ใช่นะไม่กล้าลงทุนก็ไม่ได้ผลเร็วหรอกนะลงทุนน้อยผลมันก็น้อยแต่ลงทุนมากผลมันก็มากก็อ่านประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆก็อย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ย ประวัาปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานมันก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาองค์ท่านก็ไปนั่งทางเสือผ่านองนก็ไปนั่งที่หน้าเหวเลยถ้าสับปงะหงกก็ตกเหวเลยถ้ามันรู้มันจะตกเหวเนี่ยมันไม่สับ ป, ประหกอมันไม่ง่วงอมันจะเติมมีสติตลอดเวลาถ้าไม่มีสถานที่อย่างนั้นก็อดอาหารกันไปอดอาหารก็ทําให้ไม่ง่วงเหงาเผลอนอน หรือไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดุๆก็ก็ได้ประโยชน์มีเสือเสือในร่านของดูก็เสือจริงนั้นอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ที่ดุๆท่านดูเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่อะไร ความจริงใจท่านไม่ดุแรอกท่านเมตตาจะตายเลยแต่ท่านเห็นคุณค่าของการดูด่าเห็นไอุวายเห็นคุณค่าของอุบายแห่งความน่ากลัวนี้ท่านถึงทําตนเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากแต่ใจจริงนี่ท่านโอ้ท่านรักเราจะตายเลยเม่ตายจะตายเลย เพราะทั้งวันที kita, ahn, ่ท like right? ่านอยู <c oughs> ่ว <c oughs> <c oughs> ันน <c oughs> <Forest still proposals> ี้ท่านไม่ได้อยู่เพื่อใครท่านอยู่เพื่อเราเท่านั้นทำเพื่อเราเท่านั้นแล้วเราจะไปคิดอะไรเวลาท่านดุท่านด่าเนาะก็ด่าเพื่อเราดุเพื่อเราเราควรจะดีใจทกครั้งที่ท่านด่าเราดุเราแสดงว่าท่านเมตตาจริงๆท่านจะต้องรู้เลยจ้าขยับเข้ามาผมตกนะขึ้นมาข้างบนนี่ก็ได้ผู้ชายขึ้นมาเห็นไม่เป็นไรขยับขึ้นมา เข้ามาทางนี้ได้มีเรามีอาถราแล้วในส่วน้าได้อาจำเป็นเข้ามาได้เี๋ก็ไปกัน อยู่ที่ว่าเราเราเราเลอกถึงท่านในกรณีใดแต่เราเลิกถึงท่านเพื่อให้เราเกิดจัทธาที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ยึดติดแต่ถ้าเรา คิดถึงท่านแล้วอยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ก็จะเป็นการยึดติดเราวิดถึงท่านคิดถึงประวัติอันดีงามของท่านแล้วทำให้เราเกิดตัทธาที่จะปฏิบัติตามท่านอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดติดแต่ถ้า น, นิกถึงรูปท่านแล้วก็อยากจะให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ยึดติดเพราะเวลาท่านจากเราไปเราจะเสียใจ ถ้าเราไม่ยึดติดเราเราเรารับความจริงเวลาท่านอยู่กับเราก็ดีเวลาท่านไปก็ดีเพราะท่านไปเพียงร่างกายท่านนั่นเองเราก็ยังเลรรือกถึงท่านได้เหมือนเดิมเราก็ยังเลือกถึงคุณงามความดีของท่านได้เราเลือกถึงปฏิปทาคาสอนของท่านได้เหมือนนี่ท่านไม่ได้จากไปหรอกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นคุณธรรมของท่าน เราไม่ได้เห็นสรีละร่างกายของท่านเป็นหลักว่าสรีละร่างกายของท่านไม่ใช่เป็นตัวท่านไม่ใช่เป็นองค์ท่านองค์ท่านนั้นอยู่ที่คุณธรรมของท่านทุกครั้งที่เราจเจริญพระพุทธคุณพระสังฆคุณนี้เรา<ม>เราถึงท่านแล้วเราได้องค์ท่านอยู่ประดับอยู่ในใจของเราแล้ ว, ลวทุกครั้งที่เราเระลึกถึงก็จะทำให้เรามีศรัทธามีวิริยะที่จะบำเพ็ญต่อไป พอะอาหนนนี่พระพุทธเจ้าสรงจากเวลาพระอานวนก็ยังบำเพ็ญต่อได้ไม่ใช่พอพอท่านสิ้นแล้วก็หมดกำลังใจไม่ปฏิบัติที่ไหนท่านก็เร่งความเพียรมากขึ้นไปดังนัองค์แท้ของท่านมันไม่ได้อยู่ที่จรีละร่างกายอยู่ที่คุณธรรมคุณธรรมก็มีสองอย่างคุณธรรมที่ดเราเ ล, ลิกขึ้นมา แล้วก็คุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองคุณธรรมที่เราเลื่อขึ้นมายังเป็นยังไม่ถาวรเมือเราเลื่อขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่เลื่อกถึงก็หายไปแต่ถ้าคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาจิตได้ผลจากการปฏิบัติอันนี้แหละจะเป็นเป็นของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอด ที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นรอบกตถาคตเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้จริงๆไปเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีความสงสัยต่อไปเไม่ต้องระลึกถึงท่านด้วยเพราะท่านมาเป็นตัวเราเสร็จแล้วคุยไ ง, ไงถ้าพูดเปรียบเทียวเมื่อก่อนเราเป็นนายกนายอเดี๋ยวนี้มีพระธรรมมาเป็นเป็นตัวเราแทน ว่เราคิดอะไรเราไม่ได้คิดแบบเดิมๆที่เราเคยคิดเราคิดแบบทธงานเนี่ย <c oughs> ที่คุยกับญาติโยมเนี่ยเราก็แปลกใจนะว่าทำไมมีแต่เรื่องเหล่านี้ออกมานทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปบังคับมันเมื่อก่อนมันก็มันก็ไม่ได้คิดแบบนี้มันก็คิดแบบทางโลกๆห่วงพ่อห่วงแม่หวงพี่ห่วงน้องห่วงเศษรษฐกิจห่วงอะไรต่างๆแต่ทั้งวันนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้น คิอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเพราะเนี่ยเพราะเราปฏิบัติไปแล้วจิตมันก็ถูกเหมือนกับถูกธรรมะเข้ามาเสิงเมื่อก่อนนี้ถูกกิเลสสิงถูกความหลงมันเสียงอยู่มันก็ทำให้เราคิดตามกิเลสไปคิดไปตามภาษากิเลสเพอเราบำเพ็ญธรรมจนกระทั่งธรรมนี้เป็นใหญ่ในใจแนละ้วมันก็ก็มันก็คิดไปในทางธรรม เ, เวลาที่เราสวดควาจริงตอนนั้นไม่ควรที่จะระลึกถึงท่านสเสด็จซ้าไปถ้าพอเราต้องการที่ให้จิตเป็นหนึ่งถ้าเราสวดไปด้วยเราคิดถึงท่านด้วยจิตของเรายังเป็นสองอยู่ก็ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะสวดก็สวดไปอย่าไปทึ่งระลึกถึงท่านให้อยู่กับบทสวดอาศัยบทสวดเป็นตัวนำจิตให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราสวดไปแล้วเราเลือกถึงภาพท่านไปด้วยมันจะแกว่งไปแกว่งมาระหว่างบทสวดกับกับภาพที่เราเลืกถึงจิตมันก็จะไม่นิ่งอยากจะเลือกเลือกถึงท่านก็ไว้อีกเวลาหนึ่งก็ได้หลังจากที่เราสวดเสร็จแล้วเลือกเวลาใดเวลาที่เรากล่าวพระนี่เราเลึกถึงท่านก็ได้หร่จะใช้ภาพของท่านเป็นองค์ภาวนาก็ได้เป็นนิมิตเป็นกสินเราลึกถึงภาพของครูบาอาจารย์แล้วก็พยายาม ให้ภาพของท่านนั้นตั้งอยู่ในจิตนานๆไม่ให้มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาลบล้างภาพนั้นได้จิตก็เป็นสมาธิได้ <c oughs> แต่ขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันดีทาเลย การเป็นอุปโลกนีเพราะสังฆทานนี้เป็นสมบัติส่วนรวมของที่ญาติโยมถวายเป็นสังฆทานนี้ไม่ได้เป็นของผู้รับผู้รับเป็นตัวแทนผู้รับของนั้นเป็นตัวแทนก่อนที่จะนําของไปใช้ได้ต้องประกาศให้สงฆ์รักษาก่อนและมีการฉันทานุมัติให้เอาไปแจกจ่ายแบ่งกันได้ถึงจะเอาไปใช้ได้นี่คือความหมายของการอุปโลก ที่เมื่อกี้สวดเป็นบาลีนี่แปลความหมายว่าบัด น, นี้ได้มีสังฆานเกิดขึ้นใน่ามกลางสงฆ์แล้วขอให้สงฆ์อนุญาตให้นำสิ่งที่ได้รับมานี้มาจำหน่ายจ่ายแจกโดยให้พระเถระเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนตามลำดับพรรษาลงไปจนถึงสมณเณรรูปสุดท้ายถ้ายังมีของเหลืออยู่ เพื่อขออนุญาตเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาต่อไปถ้าไม่ถ้าเป็นสังฆท า, านแล้วไม่มีการอุปโลกท่านถือว่ า, าทำทำไม่ถูกบุตบัญญัติแต่ไม่เป็นไม่เป็นสามีจีกรรมทุกครั้งท่านมีการกล่าวคาถวายสังฆท า, าน <c oughs> ก็ต้องมีมีการทำพิธีอุปโลกนี่เป็นรูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆอย่างทางวัดป่าเรานี้เราไม่ถวายเราไม่ขอถวายกัน <c oughs> แต่ของทุกอย่างที่เราถวายครูบาอาจารย์นั้นท่านไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของท่านท่านก็ยึดถือว่าเป็นของทุกคนในวัดท่านเป็นเพียงพ่อแม่ที่รับของมาหาของมาให้ลูกๆแบ่งกันใช้ก็ <c oughs> ถ้าไม่มีการกล่าวก็มันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการ อ, อระหลุ ในทางวัดป่านี้เราจะไม่นิยมเสียเวลากับเรื่องพิธีการการกล่าวคําถวายและการอุปบุคลแต่ที่นี้เนื่องจากเป็นวัดที่มาจากกรุงเทพเขามีปริยาติอยู่พอสมควรแล้วเขาก็ยึดติดอยู่กับปริยญนี้เมื่อมีการกล่าวคําถวายในในใ น, ในพระวินยัยทั้งก็บัญญัติไว้ว่าต้องมีการอุปบุคคลก็กทําไปตามพิธี แต่ควจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ถ่ายรับไปแล้วก็แล้วแต่องค์นั้นท่านจะพิจารณานั่นจะแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่เราไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะพระอาจารย์คะคือเพื่อนของลูกทะคนเขาบิงทีเขาก็จะบทกับรูกเพราะเขามีปัญหาเขาอยากเรอไร้จะสมหวังในชีวิตกันนะคะ ทีนีู้กก็บอเขาว่าชวนเข้ามาลองกับตัวกัคะซึ่งเขาก็คิดวนะ่เาเขายังไม่เห็นความเกงของตัวเองนอกจากว่าเมื่อวานนี้เขาก็เป็นคนดีพอประมาณไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ดูแลครอครัวและเขาก็ไม่เข้าใจว่าการนั่งเฉยๆจะเป็นรได้อย่างไรเขาบอกเขาว่าเขาเนี่ยตอนนี้กาลังลง เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําให้คนอื่นเดืร้อนแต่เขากําลังทําตัวเขาเองให้เดือดร้อนด้วยการอยากมีความหวังสมหวังถ้าเขามาฟังธรรมะแล้วเขาจะรู้ว่าความสมหวังนี่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ไม่สมหวังถ้าเขาฟังธรรมะแล้วในหูตาก็จะสว่างขึ้นแทนที่อยากจะให้สมหวังเขาก็จะยอมรับกับความจริงว่า บางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังบอกเขาอย่างนั้นการมาวันไม่ได้มาให้มานั่งหลับตาปิดหูปิดตาทําจิตให้สงบอย่างเดียวแต่ให้มารับรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตที่เรามักจะมองไม่เห็นกันต้องมาหาคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาศึกษาเรื่องสัจธรรมทางชีวิตนี้แล้วนําออกไปพิจารณาดู เชนบอกเขาว่าปัญหาของเขาอยู่ไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าเขาไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่แต่ปัญหาของเขาอยู่ตรงที่เขากำลังเบียดเบียนตัวเขาเองโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวจากความที่อยากจะให้สมหวังนี้เองสมอยากไม่ได้พราะอยากปั๊บมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีบอกเขาอย่างนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกุ้ม อ, อกกุ้มใจ ก็อยากไปอยากให้มันสมหวังหวังได้แต่อยา่าไปยึดติดอยู่กับความความความหวังนั้นทุกคนมีความหวังอย่งนั้นแต่ต้องบนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลจะดีกว่าบนพื้นพื้นฐานของความจริงบางอย่างเราหวังแล้ว เ, เราก็ได้เช่นเราอยากจะเรียนให้จบม า, าอะไรอย่างนี้เราก็รู้ว่าความหวังนี้เป็นไปได้แต่เราก็ต้องเรียนต้องขยันเรียน แต่หวังบางอย่างนี้มันหวังไม่ได้หวังให้สามีซื่อสัตว์กับเราหวังให้คนนั้นเขารักเราเขาไม่ชอบเราแล้วเราจะไปหวังให้เขารักเราได้อย่างไมเราไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงเรกเขาให้คิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรคนไม่เข้าใจที่ว่าเข้าวัดแล้วก็มาทำพิธีกรรม เพราะส่วนใหญ่เขาทำอย่างนั้นกันมาเข้าวัดก็ตั้งน้โมขอสีลถวายสังฆทานขวดน้ำให้พรเสร็จก็กราบพระให้ให้หลวงพ่อได้พระพรก็จะไป <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดวันไหนไปแล้วเกิดถูกพอดีไปเจอต้องฟังเทศโดยที่ไม่ไม่ไม่ไม่ตั้งใจฟัง บางทีก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงบางทก็นั่งบนไปในใจเนเบายทีก็หาหาทางไม่ออกแค่ได้เพราะไม่คิดว่าการฟังธรรมนี่มีคุณค่าที่ว่าเป็นเรื่องอะไรล้าสมัยงมงายพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเป็ดเรื่องผีเรื่องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่เขามองไม่เห็นเขาพิาพสูจน์ไม่ได้ เขาก็เลยตัดไปตัดบทไปไง่ายๆว่าเป็นเรื่องงมงายไปแล้วพอมันได้ยินได้ฟังเรื่องอันนี้ <c oughs> เขาก็ไม่สนใจกลัวจะถูกล้างสมองไม่เคยไปเข้าวัดตาหรือไม่เคยศึกษาธรรมะจากต้นฉบับเนี่ยศึกษาจากต้นฉบับถึงจะรู้ว่ามันเป็นวิชาความรู้เป็นศาสตร์เป็นจิตศาสตร์ เป็นกายศาสตร์ธรรมะของพระเจ้านี่เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนส่วนจิตกับส่วนกายถ้าศึกษาแล้วก็จะเข้าใจธรรมชาติของจิตเข้าใจธรรมชาติของกายเข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดจากในจิตเข้าใจถึงวิธีที่จะรักษาจิตไม่ให้ทุกข์กับเรื่องต่างๆได้เป็นความรู้แท้ๆเป็นวิชาความรู้เป็นปริญญาเรียนแล้วเกิดปัญญา ึงแต่ว่ามันขาดกับพิเลธทางโลกพิเลธจึงไม่เขาจึงไม่นำว่าเป็นบรรจุเป็นปริญญาไม่สอนกันในมหาวิทยาลัยสอนแต่เฉพาะวิทยาลัยสองในเมืองไทยก็มีอยู่สองแห่งมหามกุตแล้วก็มมหาจุฬาลงกรณที่เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านพุทธศาสตร์แต่ก็ยังไม่พอเพราะสอนเพียงครึ่งเดียว อนทางด้านทฤษฎีไม่สอนในการปฏิบัติไม่พาออกเข้าป่าพวกที่เรียนนล้ไม่พาเข้าป่าถือธุดงควัดถือผ้าสามผืนนอนโคลนไม้ฉันมือเดียวอยู่ในเมืองมีเครื่องบันเทิงมีเครื่องอำนวยความสุขครบทวนเหมือนกับเป็นคารวะก็เรียนแต่ทฤษฎีนั่นเอง แต่ไม่ได้นำเอามาใช้ในการขัดเกล่าจิตใจเพราะมีเจ้าของเก่าเขาคอยต่อต้านอยู่ใจตอนนี้ของพุทุชนของพวกเรานี้ถูกกิเลสครอบงำอยู่เป็นเจ้าของเราจะไม่ให้เปิดโอกาสให้ธรรมะเข้ามาในใจของเราได้ง่ายถ้าเราไม่แหวงไม่ผักมันไม่ไล่มันมันไม่ไปเราต้องพยายาม ไล่เหนือออกไปพยายามดันธรรมะเข้าไปในใจพยายามฝ่าออกมาจากบ้านจากเรือนมาวัดกันเตือนแต่เช้าวันนี้เตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถ้าไม่มาก็นอนอยู่กรุงเทพนอนถึงสองโมงสามโมงเช้านอนหลับสบายนั่นเป็นความสุขที่กิเลส ต, ต้องการให้เราติดอยู่ไม่ต้องการให้เรามาเจอความสุขที่ไม่มีกิเลส วอกิเลสจะไม่มีที่อยู่ก็เหมือนกับการต่อสู้ของการแย่งแข่งแย่งอํานาจกันเนี่ยใครที่มีอํานาจอยู่เขาก็ต้องหวงอํานาจเอาไว้คนที่ไม่มีอํานาจก็อยากที่จะโค่นล้มผู้ที่มีอํานาจก็ต้องหาวิธีการต่างๆกันในใจก็มีอํานาจอยู่สองส่วนที่เรียกว่าธรรมกับธรรมวอนนี้ใจของพวกเราถูกอธรรม ควบคุมอยู่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาต่อสู้กับอาธรรมขับไล่มันออกไปจากใจคนที่ยังชอบอาธรรมอยู่เขาก็ไม่สนใจที่จะหาธรรมะเขาพอใจกับการอยู่แบบกิเลสก็ปล่อยเขาอยู่ไปเพราะไม่มีใครที่จะบังคับใครได้เป็นเรื่องของแต่และคนที่จะมีปัญญามองเห็นว่าตอน กำลังเป็นทาสหรือเป็นผู้ที่เป็นไทยเป็นไทยหรือเป็นทาสอยู่ถ้ายังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่นี่ยแสดงว่ายังเป็นทาสอยู่เวลาเขาสั่งให้โลภให้อยากให้ไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปตามคําคสั่งเขาถ้าเป็นไทยแล้วไม่ต้องเปไน็นอยู่เฉยๆนี่สบายที่สุดไม่ต้องมีอะไร แต่ไม่ไม่รู้กันว่าเรายังเป็นธากันอยู่จึงต้องอาศัยกระจกที่มาส่องเงาใจเรากระจกนี้ก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะจะแสดงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นธาตและการเป็นไทยเวลาเป็นธาตนี่มันมีความทุกเวลาเป็นไทยมันไม่มีความทุกมันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้าฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบุญมีโอกาสที่จะเป็นไยได้ถ้าฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่มีศรัทธาก็ต้องเป็นทาตต่อไปการวิจัยนะครับเตะพระอิสุบะ ที่ปฏิบัติได้ ด, ด, ด, ดีเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียตองนี้นะคะเน่เราก็จะสอนโยมบอกเขาว่าเวลาไปซื้อผลไม้แล้วเจอผลไม้ที่มันเน่าเราก็โยนทิ้งไปผลที่มันเน่าผลที่มันดีเราก็กินไม่ใช่พอเห็นผลไม้เน่าลูกหนึ่งแล้วก็เลยไม่กินมันเลยแล้วเราก็จะอดอยากเราก็จะอดตายบอกเขาว่าการทําบุญ น, นี่เป็นการให้อาหารกับจิตใจเขา ถ้าไปเจอพระที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสายบาดกับท่านก็แล้วกันไปใสายกับองค์ที่ดีองค์ที่ดีก็มีอยู่หรือถ้าไม่มีพระเราก็ทํากับกับคนก็ได้ทํากับคนธรรมดาก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระของเรามรือทำกับผู้มีพระคุณผู้บาอาจารย์ก็ได้ทํากับคนดีก็ได้ได้บุญเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสหาทางออก พอเจอผลไม้ลูกหนึ่งไม่ดีโอ้ดีใจน้องต่อไปนี้เราทำบุญทำทานแล้วเจอผ้าไม่ดีดองเดียวสบายเลย <c oughs> ถ้าเราแล้วก็ถ้าเราบระดิษฐ์ยำผู้ตรวจตำสังคมนะคะจะมีการยึดติดนะคจกคือผู้โรนจำรวจสังคมนี่มันเป็นเป็นเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสืจุดไม้ไปลายทาง มันโยมเดินทางมาจากบ้านจะมาที่นี่ก็ต้องอาศัยรถยนต์จะว่ายึดติดมันก็ยึดติดแต่ยึดติดเฉพาะขณะที่เดินทางแค่นั้นพอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้ายังนั่งอยู่ไม่ยอมลงมาเนี่ยอ น, นี้เรียกว่ายึดติดแต่ถ้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ลงมาเดินขึ้นศาลามาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ยึดติดแต่เราต้องอาศัยเขาเป็นพาหนะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง การบริกรรมพุโทโธการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นพาหนะพาใจเข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่การสงบแล้วพุโทโธก็หายไปธรรมโมสังโฆก็หายไปมันหายไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติพอจิตสงบลงปรับการบริกรรมมันก็สงบตามไปทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นการยึดติดหรือเปล่าที่เราต้องเคี้ยวต้องตัดอาหารเข้าปาก ถ้าเราไม่เคี้ยวไม่ักอาหารเข้าปากไม่คินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายมันจะกินมันจะรับอาหารได้ยังไงจะอิ่มได้ยังไงเมื่อมันอิ่มนะเราก็หยุดกินเราไม่ได้กินไปตลอดเหมือนกับการรับประทานยาก็เช่นเดียวกันเราต้องรับประทานยาเพื่อรักษาโรคให้หายเรายึดติดกับยาหรือเปล่าแต่ว่ายึดติดก็ไม่ใช่มันเป็นการอาศัยกันมากกว่าการพึ่งพาอาศัยกัน แต่ถ้ากินแบบหายแล้วก็ยังกินอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงเรียกว่ายึดติดบางคนติดยาก็มีไม่มีความมั่นใจแม้ทั้งที่โรคหายแล้วแต่กลัวมันจะกลับคืนมาอีกของกินไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นอย่างนั้นก็ยึดติดนะต้องดูที่เหตุผลนะดูที่เหตุผลเป็นหลักบางคนคิดว่าเ อ, อาสัยครูบาอาจารย์ก็หาว่ายึดติดกับครูบาอาจารย์ อาศัยธรรมะก็หาว่ายึดติดกับธรรมะต้องปล่อยหมดต้องไม่มีอะไรต้องไม่ยึดติดกับอะไรเลยแต่เรายังอยู่ในที่ที่เรายังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่พาให้เราไปสู่จุดที่เราไม่ต้องอาศัยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่ยึดติดกับอะไรบุญนั้นก็ไม่ยึดติดท่านไม่ทำบุญดอกที่ท่านทำเพราะมันจำเป็นมันไม่ใช้จำเป็นท่านถูกญาติยียดให้ทำพูดง่ายๆดีกว่าเขาเอาเงินมาให้แล้วจะให้ท่านทำอะไรกับมัน่ะเงินท่านก็ไม่ต้องการ ทัานก็พิจารณาเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเองแต่ถ้านไม่ไปนั่งฝันนั่งคิดว่าเมื่อไหร่วันนี้จะมีคนมาถวายเท่าไหร่จะได้เงินเอาไปทําเสียงนี้เสียงนี้ไม่มีไม่มีในใจท่าไม่คิดทําบุญนะแต่เวลาที่ยังยังอยู่ยังต้องอาศัยบุญก็ต้องทําบุญของเราเนียังต้องอาศัยบุญอาศัยการปฏิบัติอยู่ถ้าเราไม่ทําแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร มันไปไม่ถึงเหตุกับผลมันเชื่อมกันตรงนี้เหตุ ก, ก็คือการบําเพ็ญทานศีลภาวนาที่จะพาให้เราไปสู่จุดที่เราไม่ต้องอาศัยทานศีลภาวนาต่อไปคนที่จะปฏิเสธธรรมานี่มันมีหลายหลายหลายรูปแบบหลายเหตุหลายผลหลายอย่างอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องยึดติดเป็นเรื่องงมงายไปหมดก็เลย ไปไม่ถึงไหนกันกิเลสมันฉลาดเนี่ยกิเลสมันหลอกล่อสอนใจให้ให้เห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปกลายเป็นยาเสกติดบางคนก็ว่าศาสนาเป็นเป็นเหมือนยาเสกติดคนที่เข้าวัดนี่เป็นเหมือนคนติดยาเสกติดเข้าว่าไปเนี่ยแต่คนที่เข้าวัดเขาไม่ได้ว่าเข า, าเป็นคนติดยาเสพติดแต่ที่เข้าแล้วเข้าแล้วเหมือนกับคนติดยาเสติดก็มี ถูกหลอกให้ทําบุญแบบไม่มีเหตุมีผลเลยก็มีอย่างนั้นก็มันก็ต้องมีสติปัญญาเหมือนกันว่าทําบุญเพื่ออะไรแล้วเงินที่เอาไปทําบุญนี้เพื่อประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเทียบไปเสริมบารมีของคนคนหนึ่งสร้างวัตถุให้มันโมโหลานใหญ่โตสร้างไปทําไมมันต้องมีเหตุมีผลจะสร้างอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลมีความจําเป็นหรือไม่ ถ้าไม่มีความจําเป็นสร้างไปเพื่อความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงหรอกความยิ่งใหญ่ทางด้านวัตถุไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือความยิ <rarely 's going average> ่งใหญ่ของจิตใจความยิ่งใหญ่ของธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวสร้างแต่พระอรหันต์นับเป็นจํานวนไม่ถ้วนสร้างตรงนั้นสําคัญที่ตรงนั้นงั้นถ้าเราถูกหลอกให้สร้างเจดีย์ให้สร้างอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อ ถ้าจะทำก็ทำพอสมควรไม่ใช่ขายบ้านขายช่องเพื่อที่จะได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้น น, นี้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความโลภทำบุญให้ทานเพื่อให้ดับความโลภ ถ้าทํำเราอยากจะได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้กลับมาเป็นมหาเศรษฐีหรื อ, อยใหญ่ขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ของการทําบุญให้ทานแล้การทําบุญให้ทานเพื่อให้อยากน้อยลงให้โลคน้อยลงให้มีความสุขใจตั้งหาที่ทําไป ถวายของกันก่อนดีไหมก็ที่ท่า น, นแนะนำไปว่าให้น่ากเราให้คุดโทมอะไ้ก็พยายามทำค่ะแต่ทำได้ไม่นานทำไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีนาทีหรือห้านาทีหรือสึกเท่าไห พยายามฝืนทําต่อไปถ้ายัางฝืนได้ลองฝืนไปบ้างก็ได้มันจะได้นานขึ้นไปเรื่อยเรื่อยหนังสือที่ใครยังไม่ได้ต้องการก็เอาไปอ่านได้นะเอาไปทั้งชุดเลย <c oughs> ก็แม้มีว่าเอาไปแล้วต้องอ่านอย่าไปตั้งว่าเป็นที่เพราะไปแล้วไม่อ่านก็ไม่เกิดประโยชน์ได <c oughs> มันไม่ความวิเศษของหนังสืออยู่ที่การอ่าน อ่านแล้วก็นํามาไปปฏิบัติต่างที่ได้ดิบได้ดีตอนทุกวันนี้ก็เกิดจากการอ่านหนังสือเล่นเล็กๆ เ, เ, เล่นเล่นไม่กี่หน้าแต่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพออ่านแล้วมันเหมือนกับไปจุดประกายความรู้ที่เรามีอยู่เดิมให้สว่างขึ้นเมื่อก่อนมันก็ลิบลิบดีดีมันคิดบ้างไม่คิดบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างพออ่านที่พระพเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมันชัดแจ้งมันเห็นทาง พอมันรู้ว่านี่คือทางที่เราต้องไปเมื่อก่อนนี้ไม่รู้พยายามหาทางที่จะทําให้เรามีความสุขใจอย่างเท้าวอนมันมีความสุขใจแบบล้มนุกคุกคานบางเวลาก็สุขใจบางเวลาก็ขุ่มใจพอได้ศึกษาพอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่หน้าบรรทัดไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันมันสว่างขึ้นมามันรู้เลยว่าอ๋อนี่คือทางที่เราต้องไปก็เลยเขียน เป็นจดหมายไปขอหนังสือมาเพื่อ ม, มาอ่านหนังสือพออ่านแล้วมันก็มีหนังสือที่พาให้เราไปสู่การปฏิบัติก็ลองปฏิบัติตามดูก็เห็นผลได้ผลก็เลยเกิดฉันทะวิรยิยะเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปก็ปฏิบัติมีงานมีการก็เราออจากงานพอปฏิบัติมันเลยไม่เสีย ไ, ได้รายได้ที่จะได้จากเงิน รายได้เงินเดือนไม่เสียได้จากความสุขที่จากการได้ใช้เงินเดือนได้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ได้ซื้อข้าวซื้อของมันไม่มีไม่มีรสชาติเลยหลังจากที่ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพียงแต่ว่ามันยังน้อยมันอยากยังมีความโลภอยู่ยังอยากจะให้มมากโลภแบบนี้ไม่ไม่เป็นกิเลสโลภแบบนี้เป็นมรรคเป็นธรรมอยากจะได้ความสุขในใจมากขึ้นอยากจะไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่าไปคิดว่าเป็นกิเลส ถ้าคิดแล้วมันก็จะตกไปในทางของกิลเลสเขาเขาต้องการให้เราคิดอย่างนี้ก็เราจะได้ไม่ปฏิบัติถ้าโลภโลภแบโบโลภในการปฏิบัติอยากจะปฏิบัติมากขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นไม่เป็นความโลภเป็นมรรคเป็นทางแ ต, แต่ต้องให้มันรู้จักประมาณไม่หย่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปต้องให้พอกับกําลังของเรา ถ้าเราแบกของที่เราไม่สามารถยกได้เราก็จะท้อแท้และจะยอมแพ้ไปใไนที่สุดแต่ถ้าเราค่อยขยับยกขึ้นไปที่เราดเท็ยนหน่อยเราก็จะมีกำลังที่จะขยับขึ้นตามไปได้งนั้นขอให้เราปฏิบัติตามกำลังของเราไปนะขอให้เราศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมและอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ย ที่เกี่ยวกับพระอริยสัจ ท, ที่เกี่ยวกับทางมรรคแปดทางศีลทานศีลภาวนาอ่านไปเถิดอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องนะไม่หลงทางแน่นอนขอให้อ่านแล้วก็นำออกไปปฏิบัติต่ตอแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วมันจะพาเราไปสู่จุดที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะไปได้ เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะกล้าโคลนหัวไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในวัดในวามขังตัวเองไว้ไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะเมื่อก่อนนี้ก่อนก่อนที่บัวนี่เคยเห็นพระเนรแล้วใจนี้เกิดความรู้สึกว่าเวหุดหูขึ้นมากลัวจะต้องไปอยู่ในสภาพของพระเนรเห็นว่าโอเป็นพระเป็นเนรมันรู้สึกไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ พอปฏิบัติแล้วมันกลับเห็นว่านี่คือทางที่ต้องไปเพราะจะทําให้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากไม่ต้องมากังวลกับภารกิจอย่างอื่นความกลัวความหดหู่ใจที่เห็นพระเห็นเนรที่จะต้องเป็นพระเป็นเนรมันก็หายไป <c oughs> ก็บวชได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกตัวมันบวชโดยความที่มันเป็นขั้นตอนของมัน มันเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันก็มีทางเลือกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพือจะตรงไปมันก็ต้องเลือกทางที่มันเหมาะที่สุดต่อการเจริญของจิตใจมันก็ต้องบวชเท่านั้นมันไม่มีทางอื่นแล้วมันก็ไม่คิดวิตกการเรื่องรูปร่างหน้าตาของตนเองเพราะไม่ได้ไปหวังอะไรกับร่างกายของเราแล้วไม่ได้ใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ น่ขอให้เราอย่าไปกังวลถึงออนาคตที่อยู่ข้างหน้าเรามากเกินเกินไปบงคนกลัวว่าเดี๋ยวปฏิบัติมากแล้วเดี๋ยวจะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งหลานนี่เป็นความคิดที่เรายังมีกิเลสอยู่คิดกันแต่พอปฏิบัติไปมากๆเข้มามันจะเห็นโทษของการมีสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณ เป็นความสุขกลับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นความทุกข์ก็จะสามารถตัดได้ปล่อยได้อย่างแต่ไม่ได้ตัดโดยความไม่มีเยื่อใหยหรือไม่มีความเมตตากรุณาตัดทางด้านจิตใจของเราที่เราไปยึดติดกับเขาแต่ความผูกพันความมีเยื่อใยความเมตตาสงสารห่วงใยกันช่วยเหลือกันดูแลกันนี้ยังมีอยู่เป็นหัวใจเหมือนเดิมตัดตรงที่ใจเราไปยึดปติดกับเขา ไปห่วงไปกังวงลรปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะไม่มีเพราะมันเป็นเป็นความทุกข์กับจิตใจของตน อ, อ, อ, อ, อยุดเริ่มต้นอยู่ที่การได้อ่านได้ไดไดฟังได้ยินได้ฟังนี่แหละแล้วมันจะพาเราไปเศึกษาในประวัติดูก็เหมือนกันทั้งนั้นทุกคนต้องได้ยินได้ฟังก่อนพระอัญญาณโกธัญญาเป็นสาวกคุดแรก สาวกก็แปลว่าผู้ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติทันทีบรรลุได้ทันทีพักฟังเป็นข้างแรกพระอัญญางโกลถันญะก็บรรลุถึงขั้นแรกได้ด <c oughs> นั้นการฟังธรรมนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งการอ่านหนังสือธรรมะก็เหมือนกับการฟังธรรมเพราะเป็นเป็นหนังสือที่ถอดมาจากการแสดงธรรมนั้น พระไตรปิฎกนี่ก็ออกมาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส่งแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามวรรคต่างๆแล้วก็จดจํากันมาสมัยก่อนพระท่านก็จํากันเป็นอุบายได้เป็นอุบายรักษาพระธรรมคําสอนและเป็นอุบายแห่งการทำสมาธิหรือเจริญปัญญาเพราะเมื่อเราท่องไปท่องไปมันก็ทําให้จิตเราสงบไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็สงบแล้วถ้า พิจารณาตามเข้าใจตามสเข้าใจในสิ่งที่เราท่องอยู่ก็นำเอามาใช้กับการปฏิบัติได้เลยสมัยก่อนเขาถึงมีการมีการท่องท่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสมัยนี้เขาก็ยังท่องกันอยู่แต่เขา ท, ท่องเป็นแบบการเป็นการสวดไปสวดแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาความหมายเท่าไหร่ เลยไม่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าได้อย่างมากก็ได้เพียงสมาธิสวดมนต์ไปแต่ไม่เข้าใจความหมายของบทที่สวดแต่ถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องอะไรต่างๆอยู่กับบกสวดจิตก็สงบเย็นได้ถ้าเข้าใจความหมายก็สามารถนําเอาสิ่งที่เข้าใจนั้นมาปฏิบัติกับใจได้เอามาตัดกิเลสได้เอามาดัดมาดับกิเลสได้ ก็ขอให้เราให้มีฉันทะมีมีความยินดีต่อการฟังเทศธรรมมีธรรมบทที่พูดได้ ว, ว่าไม่มีความยินดีอะไรจะดีเท่ากับความยินดีในธรรมไม่มีอะไรที่จะชนะไม่มีรสอะไรที่จะชนะเท่ากับรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยินดีในธรรม ยินดีที่จะฟังยินดีที่จะนําออกไปปฏิบัติเมื่อฟังแล้วปฏิบัติแล้วผลคือลดแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจไม่ต้องสงสัยเป็นอากาลิโกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าและเป็นอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อไปตามมาก็สอนเหมือนกันคําสอนแบบเดียวกันเพราะกิเลส เนแบบเดียวกันตัวเดียวกันยาที่จะรักษากิเลสกำจัดกิเลสก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันคือมากแปดหนึ่งนองแดหรือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญยาถ้าเรายึดติดอยู่กับแนวนี้แล้วไม่มีทางไม่มีทางหลงถ้าหลงก็หลงไม่ไกลมีเข้าเรียรคนที่ ภาษาทางบาลีนะครับคนที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายเนี่ยที่ก็อนุนไม่ให้เข้าเฝ้าเนียพระพุทธเจ้าได้หยิบเข้ากระบอกปล่อยเขาเข้ามาเขาสงสัยอยู่ว่าคําสอนต่างๆรัฐทิศต่างๆเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเขาอยากจะทราบว่ามีวิธีใดที่จะรู้ได้ว่าเป็นคําสอนที่ถูกทางพระพุทธเจ้าทั้งคาสอนใดก็ตามถ้ามีอกมีมรรคเป็นองแปด คำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกทางถ้าไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ท่าไม่ได้บอกว่าคำสอนของเราอยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือเปล่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะความเห็นชอบความทำเนียบชอบแล้วก็ต่างๆตามมามีอยู่แปดประการด้วยกันถ้าคำสอนใครมี <c oughs> มีมักทั้งแปดประการนี้อยู่ก็ ถือว่าเป็นคำสอนที่ถูก่างพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็มีทางนี่เลยนะ จะให้กอดหน่อยนะตอนนี้เป็นสมัยพระพุทธเจ้าที่สี่ของที่ห้คือก็เสียแล้วไม่ได้ลนระหว่างช่วงที่สี่ของที่ห้าจะมีพระพุทธเจกทุ้าอุบัติขึ้นไหมน่าจะมีได้แต่ไม่มีใครรู้หเพราะท่านไม่ท่านท่าไม่ปรากฏไม่ไม่ประกาศบอกใครแต่ที่จะเป็นพระสัมมาพระอารังสีมหาสามพุทธเจ้าที่ประกาศพระศาสนานี้ จะต้องรอพระสีอ่านมาปรากฏขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าหลังจากพระสีอานแล้วจะไม่มีหรือก่อนหน้านี้สี่รูปสามรูปนี้เราจะไม่มีคือเพียงทรงแสดงเพียงแค่ห้ารูปเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่าแต่ความจริงแล้วมีนับไม่ถ้วนในอดีตที่ผ่านมาแล้วและในอนาคตที่จะตามมาตราบใดที่ยังมีสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีกิเลสอยูต่ตราบนั้นก็ยังจะมี พระพุทธเจ้ามามาถายมามามาช่วยเหลือมามาพาให้ไปสู่พระนิพพานอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่ <c oughs> นะ้ <c oughs> ก็อย่าให้พอยยะถาวาวาฮาปุราปริปุเรนติสาคลรังเอวะมีวะอิตทจินังเปตานังอุปกัรปติ อิชิตังปฏิตังตุมังคิดพะเมวะสมิจจตุสัเพเรนตุสังกปาจันทูปันารสุยถามณิโชติรสุยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตตวัตอันตรายยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธนาสีิทสะนิจังอุทธาปจายโนจตารโธรรมาวทานติอายุมโนสุขังภาลัง